อาจารย์ครับกลาวนาัสกา ร, กรครับผมยริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์วันนี้วันตรุษจีนครับอาจารย์วันวันวันปีใหม่คนจีนไปคนไปใส่บาตรเยอะเยอะไหมครับอาจารย์ครับวันนี้ก็พอๆกับเมื่อวานนี่สี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าคนนะอวานนี้จะรู้สึกจะมากกว่านิดหน่อยมันมันไหววนจะทำบุญมากมากวันเที่ยววันเที่ยวคนไปเที่ยวกัน อ๋อคนดีครับผมก็วันนี้เลยได้จัดรายการฮะมาประมาณสี่ร้อยหกสิบกว่าวันนี้สี่ร้อยี่สิบกว่าครับผมสรุปครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่แปดสิบเก้าครับวันนี้ขึ้นชื่อหัวข้อเรื่องปรงสังเวชครับอาจารย์ก็จริงๆผมได้ยินคําว่าปรงสังเวชเนี่ยก็ทําให้นึกถึงว่าเออเราเราไปเจออะไรแล้วเราคุรู้สึกว่าปรง อย่างนี้อันหนึ่งแล้วก็อีกการหนึ่งที่ได้ยินเรื่อยๆก็คือสังเวชนียสถานทั้งสี่ของพระพุทธเจ้าครับก็เลยวันนี้จะมาขอความหมายของพระอาจารย์ในความหมายของคาว่าสังเวชในทางศาสนาพุทธว่ามีความหมายอย่างไรแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรครับอาจารย์ครับครับขอความเมตตาครับความสลดสังเวชสังเวชนี้ก็คือความรู้สึกสลดกับความโง่เขาเบาปัญญาขอ ง, งตัวเองที่ไปหลงกับการหาความสุข ในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกแห่งความทุกข์ความหมายทางปฏิบัตินะไปเปิดศัพท์ยูทางวจ <c oughs> นอนุกรมก็ว่กเป็นการตื่นตื่นจากความมัวเมา <c oughs> ในการหาความสุขตา่างๆในโลกนี้ท <c oughs> ุขตื่นจากความมัวเมากับการหาเงินหาทอง การหาลาบรดสรรเสริญหาลกเสียงกยิิรถเพรไปเห็นสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตว่าร่างกายมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วสิ่งต่างๆที่เราหากันอยู่ทุกวันมันก็เดี๋ยวมันก็หมดสภาพไปเคยรู้สึกเคยได้ยินมีในในพุพพทธพจนิยามต่างว่า ว่าไปจัดงานฉลองกันในบ้านที่กำลังไฟไหม้อย่างนี้ mm hmm. แต่ไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้ว่าไฟกำลังไหม้บ้านเราปจัดฉลองงานเลี้ยงกันในบ้านเช่นฉลองกุจีในบ้านที่ไฟไหม้นี่ก็ถูกไฟครอบตายนะนี่คือลักษณะของความหลงสังเวชก็คือการตื่นจากความหลงอนนี้เฮ้ยเรากำลังจัดงานบ้านกำลังไฟไหม้ ให้รีบรีบ บ, บออกจากบ้านนี้เถออย่าไปอยู่ในบ้านนี้เลย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อยู่ว่าวเดี๋ยวถูกไฟ <Yeah. S 2> คลอกก็คือให้เราเรองกหาความสุขจากสิ่ง ต, ต่างๆที่มีในโลกนี้เรื่องหาราบลดสละเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพจนภาพต่างๆเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว เครื่องมือที่เราใช้ในการหามันก็ไม่เทีย่ยงต้องคือร่างกายเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บพอมันแก่มันเจ็บก็มันก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้มันก็จะมีแต่ความทุกข์เนี่ยที่มีเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีก็คือประเทศที่รวยที่มีความสุขแต่ก็ถูกกลับจะต้องพยายามออกกฎหมายเพื่อให้คนที่ กลยตายหรือว่าเป็นโรคภัยเป็นคนที่ไม่สามารถหาความสุขได้ให้เขาค่าฆ่าตัวตายให้หมอช่วยฆ่าตัวตายให้เขาเขาก็อยู่ไปเขาก็ไม่มีความสุขนะตอนนั้นล่าสุดเป็นโรคภัยไข้เจ็บไปกอดพิการอะไนั่งอยู่ในวีลแชร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอยู่แล้วก็ปไปไหนก็เป็นไปเป็นภาระให้กับคนอื่นตัวเองก็ไม่มีความสุข ก็เลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนเราไม่เห็นก่อนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่คิดว่าต่อไปจะเป็นแบบคนที่เป็นคนแก่ในวันนี้กันนะคับเด็กหนุ่มสาววันวันนี้นะรู้ห น, หนรู้ว่าวันข้างหน้าหนูเนี่ยต้องเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในโรงพยาบาลคนแก่คนเจ็บคนตายเขาไม่รู้กันหรอกเขากาลังมัวเมาอยู่ในการหาความสุขของเขาอยู่แต่เด็ก บ, งบางคนฉลาดเนี่ย ไเห็นความตายเข้าเห็นคนตายเข้าอย่างนี้ก็ฉุกคิดขึ้นมาเฮ้ต่อไปเราก็ต้องตายเหมือนกันดีกว่าแล้วทุกคนที่เรารู้จักก็ต้องตายกันหมดเหมือนกันมันก็เลยทําให้ตื่นตื่นจากความหลงตื่นจากความมึนเมาในชีวิตในการคิดที่ไปคิดว่าการมีชีวิตอยู่นี่เป็นการมีความสุขการหาความสึกต่างๆ ในโลกนี้เป็นวิธีการหาความสุขนะแต่มันมันมันไม่รู้ว่ามันจะต้องเจอกับผู้ประศั์คือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆทุกสิ่งอย่างเป็นของชั่วคราวงานเรียงเย่อมในวันสิ้นสุดแต่คนจัดงานเลี้ยงนี้ไม่ยอมไม่ยอมหยุดจัดไปจนกว่าจะจัดไม่ไหว เ น, นี่ยพระพุทธเจ้าก็ไ ด, ได้ได้เกิดจากการได้เห็นเทวทูตสี่ <Okay. S 1> ก่อนหน้านั้นอยู่ในวังก็จัดงานเลี้ยงทุกวั น, นวาะมีแต่ของสวยๆงามๆมาห้อมร้องพระราชบิดานี้ไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังแล้วก็ห้ามแม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปนอกวัง ก็ควรวจะแ็นสภาพความเป็จริงของโลกเพราะว่าเนื่องจากมีการพยากรณ์อนาคตของเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตถะตอนที่ประสูติมาใหม่ๆว่ามีสองทางที่จะเป็นไปสำหรับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะถ้าอยู่ครองราชก็จะเป็นมหาจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะเป็นพระบรมศาสดาน เจะชายสุดเจ้าชายสุดโตเลนาก็ไม่อยากจะให้รูกบวชคนที่บวชกันส่วนใหญ่ก็เพราะทุกข์กันเบื่อโลก mm hmm. ก็เลยพยายามห้อมล้อมสิ่งที่ให้แต่ความสุขความเจริญใจเพื mm ่อ hmm. จะให้ไม่เบื่อกับการอยู่ในโลกนี้ไม่คิดออกบวชแต่ก็ห้าอย่างไงก็มันก็นมีพิคพวิสัยของความอยากรู้อยากเห็นของคนนะ ถ้าไม้ออกก็วันนึงก็ลักลอบหนีออกไปให้มาเล็กาวไปเดินเที่ยวนอกบริเวณพระราชวังก็เห็นสภาพของความเป็นจริงของของชีวิตคือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็ไปเห็นนักบวชก็เลยเกิดอาการสลัดสามเวรขึ้นมาเกิดสามเวรถึงสภาพของชีวิต ของของตนและของทุกคนในโลกนี้ในที่สุดมันก็ต้องจบลงที่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าจะร่ำรวยขนาดไหนก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายตอนนั้นก็เป็นเหมือนคนร้านฆ่าร้ายแผ่นดินอันนี้ก็ได้ทำให้เรส่งปาถนาที่จะ หาวิธีที่จะทำให้โรกไม่ต้องมาเจอกับสภาพเหล่านี้หรือถ้าเจอก็ไม่ให้ทุกข์กับมันก็เลยคิดว่าทางของน้่งปวดนี้เป็นวิธีทางสู่การพ้นทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายก็ไปปวดอยู่ก็ได้ถึงรับ คนที่รู้นักบวชทั้งหลายกูบาอาจารย์ทั้งหลายก็รู้วิธีดับความทุกชั่วคราวเวลาทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความเจ็บความตายของร่างกายก็เข้าสมาธิไปความทุกข์ก็หยุดไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมามันเจอกับความเจ็บความตายก็ยับทุกข์อีกไม่มีใครรู้ว่าทำไงที่จะทําให้ไม่ทุกข์กับความความเจ็บความตายของร่างกายได้ ก็เต้องคนควาหาด้วยข้อข่งอ ง, องลองผิดนองถูกบางคนก็คิดว่าเป็นการอดอดไห้ไกายาหาจะทําให้ให้ชนะความความทุกข์ของร่างกายได้คออดถึงสี่สิบเก้าวันการแต่ก็ยังทุกกับร่างกายอยู่และทรงพิจารณาว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจ ร่างกายจะตายแล้วแต่ใจก็ยังทุกข์กับมันอยู่ถึงขั้นยอมตายถึงอดทารอยากว่าแบบยอมตายแต่มันก็นกยังทุกข์อยู่ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีกลับมาสวยให้ร่างกายมีกำลังแล้วก็ามาใช้วิธีภาวนาเพราะพิจารณาให้หความทุกข์มันอยู่ที่ใจแล้วค้นหาสาเหตุของความทุกข์เพบว่ามันเกิดจากตัณหาความอยาก ที่จะใช้ร่างกายกั็นเครื่องหาความสุขก็เลยรักร่างกายหัวง่างกายเพราะขาด ร, ร่างกายแล้วมันจะไม่สามารถมีความสุขได้แต่พิจารณาแล้วว่าถึงแม้ว่าร่างกายจะตายมันก็ยังอยากอยู่นั่น <Okay. S 1> ยังทุกอยู่นั่นก็ต้องมาหยุดความอยากเป็นความอยากด้วยปัญญาในพิจารณาว่า การที่เราจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องหาความอย่างนีห้หาความสุงนี้ยะต้องจบเพื่อความทุกข์เสมอเพราะร่างกายเป็นเขาไม่เที่ยงถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็ต้องหยุดหาความความสุขจากทางร่างกายจากสิ่ ง, งต่างๆที่ไม่เที่ยงด้วยอันไหนที่เที่ยงถ้าเราไปหามันมาเดี๋ยวมันก็หมดมันก็ทําให้เราทุกข์ได้ พอหยุดความอยากได้ใจนี้ทุกข์ก็หายทุกขนะ์เหมือนกัตอนที่อยู่ในสมาธิตอนอยู่ในสมาธิความอยากมันก็หยุดทํางานเชื่อคราวมันก็ไม่มีทุกข์แต่พอออกมาจากสมาธิเมื่อไม่มีปัญญาแค่อยังอยากให้ร่างกายอยู่ไป็นานไม่อยากให้ร่างกายแข็งร่างกายเจ็ร่างกายตายอย่าตอนหลมาใช้ปัญญาก็รู้ว่าอยากไม่ได้ อยให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ต้องยอมให้มันแก่มันเจ็บมันตายต้องอยอมไปเพึ่อมันต้องอยอมไปอาศัยมันเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราอยู่แบบไม่มีความอยากนี่นนเป็นวิธีที่ดีเพราะเมื่อไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะไม่มีอะลรกัสลูวาริยศาสีส ความทุกเกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายที่จะต้องแก่เจ็บตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาของระบบดิ้นกายแต่หาความสุขแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องจบด้วยความทุกข์เพราะมันสิ่งที่หามา น, นี้มันไม่เที่ยงเครื่องเื่องมือที่ใช้คือร่างกายก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องจบมันก็ต้องหมดความสามารถที่จะหาความสุขได้ ก็เลยเลิกหยึกมันอยู่แบบไม่ต้องมีความอยากดีกว่าเพอตอนที่อยู่ในสมาธิก็ไม่มีความอยากตอนนั้นก็มีความสุขได้พอจากสมาธิมาพอเกิดความอยากขึ้นมาความทุกข์ก็ตามมาทันทีเขาจะเห็นเลยเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่สิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้แต่ความอยาก ให้มีความได้ความสุขจากสิ่งต่างๆไปตลอดซึ่งเ ป, เป็นไปไม่ได้แล้วคนพบว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การหยุดความอยากนี่เวลาไม่มีความอยากแล้วใจก็สงบใจก็นิ่งสบายเย็นสบายอย่างตอนนี้คุณมอไม่มีความอยากไลยเก็รู้สึกเฉยๆเนี่ยเดี๋วกอ็อยากดูอยากดื่มอะไรขึ้นมาเนี่ ถ้าอยู่ใช้ใช้ไม่ได้คนะเดี๋ยวต้องไปหาเครื่องเหลวมาเดี๋ยวโอ้โได้ได้ฟังความมาสั่งเวทได้อย่างอย่างอย่างดีใจมากครับอาจารย์ครับสบายใจมากเลยครับอาจารย์ก็เหมือนที่ค <c oughs> ุณหมอได้ได้สรุปเมื่อก่อนด้วยว่าสรุปว่าสิ่งที่เราทําทั้งหลายหมดนี้มันเหมือนคว้าน้ําเหลวใช่ไหมถ้าอาจารย์เป็นคบอกผมผมคว้าน้ําเหลว ไม่ได้อะไรได้แต่ความทุกข์ในส่วนการสรง บ, บุญที่ความทุกข์แต่เราก็ก็ยังคงปัญญาไม่ถึงก็ยังคงท่องต่อทําต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็นํามันไปยามจะนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยพระเาสงสอนให้มันพิจารณาอยู่เนี่ยเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วท้องแก่ท้องเจ็บท้องตายท้องพัดพายอยากสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไป อาจารย์ครับแล้วอย่างสังเวชนียสถานอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เป็นการให้เราไปดูตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเือพระพุทธเจ้าเกิดแล้วเดี๋ยก็ต้องตายเนื่องจากเป็นโตพระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านใช้เวลาก่อนตายนี่มาค้นหาวิธีทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาตายไม่ต้องกลับมารับความสุขเลยตัดสรุน แล้วก็พอรู้แล้วก็เอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ก็เป็นสถานศีลสถานสถานที่เกิดเกิดมาแล้วก็เป็นการเล่าประวัติของพระองค์ไปในตัวนะสถานศีลสถานนี้เป็นพุทธานุสติไปเป็นพุทธานุสติเพื่อให้เราได้เห็นตัวอย่างอันดีงามของพระพุทธเจ้าว่าต้องเป็นผู้มีสังเว ผมเห็นว่าการหาวความสุขจากสิ่งต่างในโลกนี้เป็นห น, นทางสู่ความทุกข์ไม่ใช่หนทางสู่ความสุขสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์องค์เลยสลานาชสมบัติออกบวญจนตัดสินเป็นองค์เจ้าแล้วก็น้องก็นำเอาความรูงที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นีม้มาสอนให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นบางทีเราไม่อาจจะไม่เชื่อเชื่อเป็นนิทานเ น, นี่ยเพราะเนี่ยยังมีไม่มีใครก็คิดกันใช่ไหมเนี <Okay. S 1> ่ยอาจจะเชื่อเป็นเป็นนิทานเล่ากันมาเป็นเป็นทอดๆอดอยานี่มีหลักฐานนิสถานที่ให้เราไปยืนยันเป็นพิสูจน์อันมีที่เกิดเนี่ยเกิดตรงนี้ที่ตัดสั้อยู่ตรงนี้ที่แสดงคํามข้างหน้าอยู่ที่ตรงนี้และที่ดับขันอยู่ตรงนี้ เือให้ผู้ที่ยังรังในสงสัยว่าเรื่องของพระพุทธเจ้า น, นี้เป็นเรื่องจริงแล้วเรื่อง mm. เรื่องเรื่องแต่งกันขึ้นมาปุนแต่งกันขึ้นมาพอคนไปแล้วก็เกิดความประทับใจเกิดความศรัทธามากขึ้นเกิดความเชื่อมั่นใจว่ามีพระพุทธเจ้าจริงคําสอนที่พระเจ้า ก, ก็เป็นคําสอนที่เป็นคําสอนที่จริงที่มีเป็ที่มีประโยชน์ ที่สามารถนำมาไปใช้ในการดับทุกข์ได้แล้วก็ทให้เชื่อว่ามีผู้ที่ได้ศึกษาจากพระเจ้าแล้วดับทุกข์ได้ตามที่มีปะมีการบันทึกไว้ในในพระไตรปิฎกแสดงทําให้กับพระมรรดาวัคคีสแสดงให้ทำทำให้กับบุคคลตา่างๆจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นจํานวนมาก อันนี้ก็เป็นการเสริมศรัท ธ, ธาสาหรับผู้ที่ยังไม่มียังไม่แน่ใจ ย, ยังกลังในสงสัยอยู่การไปบูชาสถานเอาไวชสานสถานทั้งสี่นี้ก็อาจจะช่วยให้เกิดศรัท ธ, ธาที่แน่วแน่แนมันถูงได้แต่ก็ยังไม่แน่วแน่แนมันของเท่ากับผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมและมีดวงตาเห็นธรรมคือได้มันรู้เป็นพระสุนตาบัต ถ้าเป็นพระสุวดาวันนี้ได้เข้าถึงตัวธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัมวคืออริยสัจสีเมื่อเห็นธรรมก็ไม่เห็นก็ไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้าเพระพาพระธาระธรมที่เห็นนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เอามาเผยแผ่เหมือนกับถ้ามีมีสินค้าก็มีต้องมีเซลแมนนะต้องมีเซลแมนมาขายสินค้านี้ หรือสินค้านี่มันไม่ถผลขึ้นมาเองต้องมีคนออกมาขายถึงแม้จะไม่เจอคนขายแล้วคนคนขายหรือคนคนที่คิดคนสินค้านี้ตายไปแล้วแต่ ย, ยังมีการผลิตอยู่อย่างต่อเนื่องก็เชื่อได้ว่าสินค้านี้กับคนนี้เป็นเป็นมาและมีความต่อเนื่องกเกี่ยวเนื่องกันถ้ามีพระธรรมันก็ต้องมีพระพุทธเจ้าแล้วผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมก็คือ พระอริยบุคคลนั่นเองที่มีดวงตาเห็นธรรมก็ไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จงเพราะเห็นด้วยใจอันนี้ไม่ได้เห็นด้วยตาที่เราเดินทางไปที่ประเทศอินเดียอันนั้นเห็นด้วยตาตาของร่างกายอันนี้เห็นด้วยด้วยตาของใจตาในที่เกิดจากการปฏิบัติฌานวิปัสสนา ภายในก็หนักแน่นกว่าเยอะเลยครับอาจารยับช่กทุกข์เห็นทุกข์ที่เกิดจากความกลัวเจ็บกลัวตายพอพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายมันต้องเจ็บต้องตายหนีเรื่องไม่ได้เหตุที่ทําให้เราทุกข์ก็เพราะว่ความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต่างหาไม่ใช่ครับเจ็บความตายพอเรายอมตายได้หยุดความอยากไม่เจ็บไม่ตายได้ทุกข์ก็หายไปมันก็เห็นนอรียสัจ ส, สีทํา ง, งานแบบสดๆนอนๆ ถึงนอกปฏิบัติอยู่ถึงเนื้อบัติบัติถึงจะเข้าถึงอริยสัตว์ที่แท้จริงได้ของจริงอาการวิโกอันนี้ยเป็นเป็นสัจจธรรมเป็นธรรมน้นที่เป็นอาการวิโกะแต่ต้องมีตัวกระตุ้นให้ให้ธรรมน้นที่เกิดขึ้นมาทุกพอมีปัญญาบอกเกิดเนี่ยต้องไปอยู่ที่บรนทุกที่มันเสกเป็นเสกได้ ถ้าไปอยู่ถ้าไปเจอกับความเจ็บปวดของร่างกายมันถึงจะใช้ปัญญาปัญญาที่เึีจนเดินได้พอเดินแล้วก็จะเห็นเห็นว่าทุกเกิดจากสมุทยัยความอยากพอใช้มากคือพิจารณาด้วยปัญญาว่าอมันอยากก็ทุกถ้าไม่ไม่อยากก็ไม่ทุกเพราะสิ่งที่เราอยากนั้นเราไปห้ามมันไม่ได้กําจัดมันไม่ได้ด้วยความอยากของเรา ก็หยุดความอยากยอมรับความจริงยอมอยู่กับมันไปพอยอมอยู่แบมันหน้ามันก็หายทุกข์นะตอนนี้ไปปฏิบัติก็เห็นอยู่แค่สองข้อแรกครับอาจารย์เห็นทุกข์ก็เลยเห็นโคเจ็บเห็นโกค้ครับยังไม่เห็นมรรคก็เห็นเป็นบางทีเขาแต่ผลไม่เกิดครับอาจารย์มันต้องมันต้องมีทั้งอุเบกขาคือสมาธิและทั้งปัญญามันถึงจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เห็นด้วยสุดตาหนื้อเนื้อินตาเมยะปัญญานี่มันไม่พอกำลังไม่พอรู้ว่าหรือว่าสมุทัยต้องละแต่ละไม่ลง <God. S 1> มากตก้อเจริญให้มากมากยังเจริญไม่พอกำลังไม่พอ <God. S 1> ในปัญญาแค่สุดตะกับจินตตาแต่ไม่ได้ภาวนามยะปัญญาเ <God. S 1> พราะขาดสมาธิจิตไม่ดวง ถ้าจิตรวมแล้วทีเนี้ยมันสามารถที่จะพิจารณาด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางได้ปล่อยวางร่างกายได้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้กระจ่างเยอะเลยครับเดี๋ยวจะขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับจากคุณแบงค์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีเข้าฌานแบบง่ายๆครับมันไม่ง่ายหรอกถ้าเข้าง่ายมันก็ก็เข้ากันหมดแล้วเลยมันยาก <laughs> แต่เดีว่ามันมันมีวิธีแต่มันต้องใช้ความพยายามมากเหมือนปีนภูเขาเอะกีมาลายนี่ปีนได้ถึงยอดปีนได้แต่มันต้องมีความเพียรความพยายามแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายถ้ามันง่ายมันก็เป็นไปได้นิพพานกันหมดแล้วที่มันไม่ไปกันเพราะว่ามันยากแต่มันไม่เสื่อมวิสัยมีคนที่ปีนถึงยอดได้ครับมีประวัติมามีมีมีข่าวมาเรื่อย ผู้หญิงคนที่แรกขึ้นเขาคนแก่อายุเท่านั้นขึ้นเขาคนเด็กที่สุดอายุท่านถึงยอดเขานะั้นมีวิธุคเพศทัุกวัยแต่นี้ไม่มากเพราะพวกนี้เขาเป็นพวกที่มีความอดทนมากมีความเ พ, พยายามมากคือมีอธิษฐานมีสัจจะอธิษฐานมีวิริยะมีขันติที่จะพาให้เขาไปสู่สเป้าหมายที่เขาต้องการได้ วิธีง่ายๆเข้าฌานก็คือต้องมีอธิษฐานมีศัจจ า, านที่ต้องมีความมั่นคงแน่วแน่ต่อความปรารถนาที่อยากจะเข้าฌานแล้วก็มีความเพียรพยายามที่จะฝึกสตินั่งสมาธิให้มากที่สุดเท่าที่จะมากนะแล้วก็มีความอดทนตอ่ออุปสรรคต่างๆถ้ามีสี่ข้อนี้ก็สามารถที่จะเข้าฌานแบบง่ายๆได้ครับ คุณนิสาครับการปฏิบัติธรรมจําเป็นต้องมีความรู้เรื่องอภิธรรมไหมคะอภิธรรมมันก็เป็นธรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่าอภิธรรมนี่แยกออกจากเป็นเป็นเป็นอีกหมวดหนึ่งของธรรมะของพระเจ้าคือธรรมะของพระเจ้าเนี้มีแบบที่เป็นเหตุการณ์เช่นในอภิสูตรต่างๆอภิสูตรนี้จะจะเล่าถึงเหตุการณ์ว่า วันนี้พระเจ้าได้ไปประทับที่ตรงนี้แล้วได้พบปะกับคนนั้นคนนี้แล้วได้สแสดงธรรมโปรดเขาทําที่แสดงมาอย่างนี้เช่นอริยสัจสี่มรรคแปดสติปทานสติอะไเหล่านี้อันนี้เป็นพระสูตรที่สแสดงธรรมเล่าทั้งเหตุการณ์ด้วยนะ แ, แต่อภิธรรมนี้ตัดเรื่องเหตุการณ์ต่างๆไปหมดเอาแต่ตัวธรรมมาล้วนๆแล้วก็ามาจัดเรียงเป็นหมวดเป็นหมู่ไปเท่า น, น, นี้ เช่นบทสี่มีบทสี่มีอะไร า, าอริยสัจสี 4, ่มีอะไรอีกที่บาทสี่อะไรสี่ต่างๆนี้เขาก็เอามารวมไว้ในบวสี่บทสองก็มีอะไ ร, รบา้ราก็เอามารวมกันเพื่อเป็นการศึกษาเอาเอ า, เอ า, เอาตัวธรมรมะรุ่นๆไม่ต้องเอาไปสนใจกับเรื่องเหตุการณ์ของว่าธรมารมะหล่อ น, นี้สแสดงที่ไหนเมื่อไรให้กับใครฟัง มันก็เหมือนกันอย่างเรื่องพิธาก็ได้ปัญหาก็คือว่ามันบางทีทธรรมะพระเจ้าทงแสดงว่านี่มันมีหลายระดับด้วยกันเพราะคนที่มาศึกษาก็มีหลายระดับมีระดับอนุบาลระดับปรถมระดับมัธยมระดับมัธมศึกษาที่เรามันอยู่ระดับไหนเองมันเป็ น, เ ป, นเป็นตัวประเด็นที่เราจะต้องประเมินอยู่เราอยู่ระดับ เราทํำระดับต่ำได้หร้อยังเราได้แล้วเข้าไประดับสูงนันก็มีแบ่งไว้สี่ระดับทานศีสมาธิและปัญญาเราอยู่ขั้นไหนเรายัางเรายัางหวงเงินหวงทองอยู่เปล่าหรือเราไม่ยึดไม่ติดกับเงินทองมีเท่าไหร่บอยจากหมดเก็บไว้เท่าที่จําเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยถ้ย่างนั้นเราก็ไม่ต้องศึกษาแล้วไม่ต้องทบทานแะ อย่างพ่อที่เป็นเป็นนักบวชเนี่ยเขาอาศลาทรัพย์สมบัติเขาของไปทองไปหมนดนะเขาก็ไม่ต้อมาศึกษาเรื่องทางชนิดต่างๆว่า ม, มีอะไรบ้างไม่เสียเวลาเขาก็ไปดูที่เรื่องสินโยงเขาเขารักษาสีลในระดับปีระดับสินห้าสิลแปดสิน 8, สิบเนื้อถ้าบวชทีเป็นพระก็สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี้เป็นต้นก็เป็นอันนี้ก็เป็นธรรมะคําสอนทั้งนั้นเน่ยเพียงแต่ว่า เราจะไม่จาเป็นถ้าเราเราสามารถที่จะผ่านขั้นเหลนี้ไปได้นะเราก็ไปเอาไปศึกษาขั้นที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ที่เรากาลังติดอยู่คุณกิตวัตรครับสอบถามครับเราจะรู้เท่าทันการเสียชีวิตได้อย่างไรหรือครับว่าเราจะจากไปตอนไหนจะมีสัญญาณหรืออะไรบ่งบอกหรือไม่ครับอันนี้ก็มั น, นก็เป็นเนแพท์อาจารย์ ันนี้เป็นักเรียนแพทย์ใช่ก<บ>็ร่างกายมันก็มีสัญญาณบอกเราใช่ไหเช่นไปเป็นเป็นมะเร็งนี่มันก็บอกแล้วว่าเหลือขีดเดือนหมอก็ยังทําได้ได้แต่ถ้ามันเป็นปกติอย่างนี้มันไ ม, ไม่ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะมันจะเป็นเมื่อไรเรื่องอุบัติเหตุ น, นี่ก็ไม่มีใครคาดคะเ น, นได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดเพราะว่ามันมันมันสิ่งที่ไม่มีใครกำหนดดูได้ไดวงหน้า แต่เรื่องของร่างการนี้อาจจะพอกําหนดได้พระพุทธเจ้านี้คงทรงทราบถึงสภาพของร่างกายท่านว่าคงจะอยู่ไปได้ไม่สไม่เกิดสามเดือนนั่นก็เลยบอกว่าพระนนท์ว่าอนุน็อปองแล้วอีกสามเดือนนี้มันก็คงจะไปไม่ไหวแล้ะนอกจากว่าถ้าจะให้มันไปต่อก็ต้องมีการดูแลเยียยาเป็นกรณีพิเศษไปอันนี้ก็อาจจะยืดมันต่อไปได้ แต่ถ้าอยู่แบบธรรมดาธรรมดาไม่ไม่ไปรักษาอะไรเป็นราในพิเศษมันนี้ก็คงไม่คนสามเดือนอะไรอย่งเง้ยอันนี้มันก็มันก็อาจจะพอมีความรู้สึกในในตัวของเราเองวเวลาที่มันก็พอจะรู้รู้อาการของร่างกายว่ามันเป็นยังไงถ้าสังเกตเดูอยู่เรื่อยๆคุณสมพรครับการปฏิบัติธรรมเมื่อต้องอยู่กับคนหมู่มากต้องใช้หลักธรรมข้อใดยอย่างไรครับ ก็ส่งสอนให้ใช้กรมวิหารสี่ใช้เมตตาเป็นพื้นเริ่มตอนที่เมตตาเยียบใครก็เมตตายิ้ม ย, มยิ้มแจ่มใสทักทายบอกคนทุกคนว่าเป็นมิจฉาของเราไม่ใช่เป็นสัตว์ของเราถึงแม้คนที่ทําร้ายเราก็ไม่ให้มองว่าเขาเป็นสัตว์ของเราให้มองก็เป็นมิตรเมื่อเป็นมิตรเราก็ต้องให้อภัยก็ได้เขาทําร้ายเราแล้วเวลาเราทํำอะไรล้วก็ไม่ต้องการที่จะทําทให้มิจฉาของเราเดือดร้อน ทำอะไรก็ไม่เบรคเบรคพูดถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นมิตรเราเราก็อยากจะให้เขาเปความสุขเรามีอะไรเหลือกินเหลือใช้แล้วก็แบ่งให้หรูมากให้เขาเปความสุขอย่างตัวจีนะครับมัแจกอ่างเปานะแจกนเนอันนี้ก็พอเรามีเหลือกินเหลือใช้กม็มีชาวในเศรษฐีมานคนขายข้าวก็แจกข้า ว, วไม่รู้กี่ ก, กี่ร้อยทุนบางที เป็นเศรษฐีคนหนึ่งทุกปีจกจกอัเปาสองหมื่นปีนี้สองหมื่นใบด้วยกันให้กับคนยากคนจนใบละสองร้อยสองละสองร้อยมีคนเยอะคนจนมายืนเข้าแถวร่ำอัเปาเว้นเนต็ไมไปหมดเลยอันนี้แหละคือความเมตตาคนอย่างนี้ไม่มีใครเกียดชังหรอกใช่ไหมอันนี้สองของความเมตตาก็คือจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยอาวุธด้วยอยากพ จะไม่มีใครปองร้าย้วยเอาวุติยาพชรจะมีเทวดาวคุ้มครองนี่คือพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอยู่บนพื้นฐานของความเมตตาแล้วตามด้วยการุณาก็าคือความสงสารต้องเห็นอกเห็นใจกันเวลาเขาตกทุกข์ได้ยางไม่ใช่ไปไปซ้าเติมเขาสมน้ำหน้าดีแล้วีไม่ใช่งั้นทีเหลือร้านไฟไม่บ้านเขาก็ต้องช่วยกันหาปัจจัยสี่มาเยียวยากันไป เขายากจนเขาไม่สามารถที่จะมีงานทำํำเขาเดือดร้อนไม่มีข้าวกินก็อย่าไปว่า้องขี้เกียจมาขอเป็นขอทานบอกเขาว่แน่ดีบ้างว่าคนเรามบางทีมันไม่มีทางไปมันไม่มีทางหาเงินหาทองไม่มีรายได้ไม่มีใครอยากจะมาเป็นขอทานหรอกยกเว้นคนบางคนนะซึ่งน้อยมากมันส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากจะเป็นขอทานอาจะเป็นเศรษฐีนทั้งนั้นนะแต่มันไม่มีทางไป เมื่อเราเมื่อเราช่วยเขาได้แล้วก็ควรจะช่วยไปแบ่งปันไปลอยจากทานไปอันนี้ก็ข้อที่สองคือกรุณาเวลาใครก็ทุกข์ยากเหลือน้อนต้องการความช่วยเหลือถ้าเราช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปนี่เรียกว่าความการุณาข้อที่สามก็คือถ้าเขามีความสุขความเจริญก็ให้แสดงความยินดีไปกับเขาอย่าไปอเฉชาริษยาะ อย่กไปโกรธไปเกลียดเขาบางทีเขาดีกว่าเราก็ไปโกรธเขาเกลียดเขาเอไออย่ชังเขาอิจฉาเขาไม่โวรธนะอย่างนั้นไม่โวรจะไปเกลียดเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของบุญวาสนาของแต่ละคนก็และกัน เ, เรื่องเรื่องของเหตุเขาจเจริญเหตุมาถึงทําให้เขาได้รับผลที่เขาได้รับอยู่ขนา น, นี้เราไม่ได้รับเราก็อยากไปอิจฉาที่เสียเขาเราอยากจะได้ดีได้ดีเหมือนเขาแล้วก็พยายามทําทําความดีเพิ่มขึ้นมา เพื่อที่เราจะได้เด็กได้ดีเหมือนกับเขาอันนี้ก็คือมุนิตาแสดงมูนิตาเช่นเร า, มาเมื่อเช้าไปแสดงความยินดีกับคนที่เขาได้รับเลือกข้ามเนื่อ ง, งตำแหน่งกันใช่ไหมหรือวันเกิดเนี่ยแสดงมูนิตาว่าีอายุยืนยาวก็นอีกปีหนึ่งแล้วอะรอันนี้ก็มูนิตาแล้วกรณีที่สี่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเขาแล้วเราช่วยหรือเขาไม่ได้เลย เช่นเขาเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยแล้วหมอเขาบอกว่าหลือแค่หกเดือนเนี้ยถ้าเราไปทุกข์ร้อนกับเขาเราก็ทุกปปข์ไปเปลๆเพราะว่ามันไม่ไปทําให้เขาหายจากความทุกข์ร้อนของเราเราก็ต้องทาใจเฉยๆลงมันดีจังสัตว์ทั้งหลายดีกรรมเป็นของของตนเมื่อถึงเวลาก็ต้องรับผนของกรรมนั้นไปก็ต้องมีอุเบกขาบ้างเวลาที่เรา รักระหงยาคนคนบางคนมากเกินไปแล้วทำให้เราทุกข์ทรมานโดยใช่เห็นว่าเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรกับเขาได้ไม่ได้ทำอะไรให้เขาได้ดีขึ้นปัจที่เขาเป็นอยู่ก็อย่าไปทุกข์ทรมานกับเขาเกินไม่ได้นอนไม่หลัไม่เกิดประโยชน์อะไรก็รทำใจปล่อยวางใช้อุปเบกขามั่งเชื่อนี่คือวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสัตยสุ หออ้พี่ผมไม่หาง ส, คคสิครับจักุสมพรครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าการปฏิบัติธรรมของเราเก้าวหน้าขึ้นครับมันก็เรารักษาสิ่ได้มากขึ้นหรืออย่างเราทําบุญทําทานได้มากขึ้นหรืออย่างเนี่ยอย่าเราเคยทำบุญแค่ครั้ะร้อยต่อไปนี้เราเริ่มทำครั้งละสองรอยสามร้อยอะไร่างเี้ยเรียกว่าก้าวหนะ้า เราเคยรักษาสิ่งได้กี่ข้อเราเพิ่มได้มากขึ้นหรือยังหรือรักษาห้าข้อได้เพียงบางวันบางวันยังรักษาไม่ได้รักษาเพิ่มได้หรือยังเนี่ยก็ดูการปฏิบัติของเราเนี่ยทานสีภาวนาว่าเราทําได้มากขึ้นหรือยังถ้าเราทําได้มากขึ้นก็นแสดงว่าเราผลักก้าวหนะ้าคุณวงจันทร์ครับเวลาสวดมนต์แล้วมีอาการคล้ายขนลุกมันจะสัน้นสัน้สนชาชาตามขาตามแขนค่ะเหมือนจะขนลุกแต่ไม่ใช่ ถามครับก็เป็นอาการของของใจที่เวลามันประทับใจกับอะไรมันก็เกิด อ, อาการซราบซาบขึ้นมาได้เขาเขาไม่ใช่พูดว่าเป็นอาการปิติเนี่ยเกิดปิติขึ้นมาพอเกิดปิติบางทีคนลุกบางทีน้ำน้ำตาไหลบางทีได้เป็นสัมปัสกับสิ่งที่เรารากเราชอบประทับใจมันก็เกิดความประทับใจเกิดอาการขนลุกบ้างเกิดน้ําตาหไหมาก ถ้าเป็นใดญ ก, ก็กิดอาการาล้องวยวายขึ้นมาบ้างเกี่ยวกับน้อมจีนร้องจานขึ้นมาแต่นั่นก็เป็นความพินิษฐ์ ข, ของเขาไม่ไม่ไม่ไมเป็นพิษเป็นภัยอะไรไม่ไม่ใช่เป็นความทุกข์ใจอะไรคุณมิลินครับการขอพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาสั่งสอนอบรมปัญญาที่โง่เขลาให้เข้าใจถึงสภาวธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเจ้าคะ่ะ ลูกตั้งใจฟังและปฏิบัติตามคําสอนความทุกข์มันก็ค่อยน้อยลงเจ้าค่ะแทบจะมองไม่เห็นความทุกข์เลยเห็นเป็นเพียงสภาวะธรรมเท่านั้นทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่ควรไปรยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายอมรับมันก็จะไม่ทุกข์จึงก็ค่อยดับและวางลงได้เจ้าค่ะใาจะยินดีดีใจที่ได้ยินได้ฟังผลที่ได้จากการศึกษาได้และการปฏิบัตินีได้ได้ยินได้ฟังอย่นี้แล้วมันมีกำลังใจ ไม่ใช่เพราะเขายอเรานะแต่เพราะว่าเห็นเขามีความสุขเห็นเขาคนทุกข์ทําให้มันท้ายเนื่อยแต่ท่านเดิมครับแในอันนี้ถามครับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นกฎของธรรมชาติเป็นไปนตามเหตุปัจจัยไม่มีใครกําหนดได้เราต้องอยู่ในปัจจุบันขณะและระละึกถึงความตายทุกลงหายใจเข้าออกมันทําความเพียรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อมีสมาธิใจก็นิ่งไม่มีกิเลสใจก็จะไม่ต่อต้านมีหลักธรรมใด ที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบเพื่อให้เข้าใจธรรมนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นใหม่เจ้าคะก็ต้องไปพิสูจน์ความรู้ของเราันนี้ตเราไปพิสูจน์คือให้ไปอยู่ใกล้กับความจริงคือความตายและความเจ็บเรานั่งสมาธินานๆให้มันเจ็บแล้วก็อยากขยับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดศีรษะปวดตรงนั้นตรงที่ก็เราใช้ใช้ธรรมโอสถแทนที่จะใช้ยาแก้ปวด กำลัฝึกหายใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ความเจ็บปวดของของร่างกายอันนี้เพียงอาจจะเป็นจินตาเป็นจินตาเป็นความคิดธรรมะเป็นธรรมอยู่แต่มันเป็นเพลงความคิดอยู่ยังไม่ได้มันมีผลมากแต่อาจจะไม่มากเท่ากับเวลาที่ไปเจอของจริงของจริงนี้ต้องใช้การปฏิบัติต้องใช้สมาธิใช้ใช้เมกาที่ จะทำให้ใจนิ่งไม่ให้ใจไปวุ่นวายไปกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเช่นความเจ็บไข้แท้ป่วยหรือความจะตายอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้มันจะเข้าถึงถึ ง, ถ, งถึงตัวตัวอนุญสัต์ คุณัญญีครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายปิติในสมาธิสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ว่าเป็นอย่างไรครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ก้าวหน้าครับก็ไม่มีอะไรครับมันเป็นขนพลอยได้เราไม่ต้องไปงกังวลกับมันบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดเห็าไเรานั่งสมาธิเราพุโทโธไปเรื่องดูลงไปนี่บางทีก็จะเกิดอาการปิติขึ้นมาใจรู้สึกซาบซาบใจรู้สึกด้านกายก็ขนลุกซาบขึ้นมาหรือมีน้ําตาไหล แต่เราก็ไม่ควรที่จะไปเสียสมาธิกับปิติที่เกิดขึ้นให้เราภาวนาต่อไปให้เราอยู่กับลมไปหรืออยู่กับพุโทโธไปเนี่อย่าไปให้ความสำคัญกับมันว่ามันจะทำให้เราหยุดภาวนาเราจะทำให้เราไปไม่ถึงจุดหมายที่แท้จริงคืออุเบกขาจิตนวมเป็นหนึ่งสักแต่ ว, ว่ารู้อันนั้นเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องทำปิตินี้มันเป็นทางผ่าน มันเกิดขึ้นในช่วงช่วงกลางของการภาวนาเราไปอ่านดูรัญชามันมีอยู่คุณภาพของฌานคุณสมบัติของฌานแต่ละชฌานมันมีรู้สึกจะมีปิติอยู่อยู่ในระดับสองงาหรือระดับได้ก็ไม่น่าใช่แต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องไปกังวลนะเพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องเกิดกับทุกคนการภาวนาของแต่ละคนนี้ผลพลอยได้เหล่านี้บางทีอาจจะไม่ค่อยเกิด แต่สิ่งที่เกิดแน้าก็คือเมื่อจิตรวมลงเป็นสงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นอเวคาจากแต่ว่าแล้วแล้วก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้จะเหมือนกันทุกคน <Okay. S 1> แต่วิธีเข้ามันอาจจะเข้าช้าเข้าเร็วไม่เหมือนกันบางทีเข้าเป็นขั้นๆบางทีเข้าไปแบบตกต ก, กได้พลอยจนพรวดออกไปหลายลงไปจบเลยนวนเดียวจบทีเดียวจบเลยก็มีไม่น่าเป ไมาคาดคะเนไม่ต้องไปกังวลขอให้เรากังวลอยู่กับการดูลมหายใจอย่างเดียวนรืกับการบริกรรมยุทโธย์อย่างเดียวอย่าไหววิธีนี้ไอ้ตัวนี้เป็นเป็นตัวเหตุที่จะพาให้เราไปสู่ผลที่เราต้องการต่อไปคุณเดอมัลติเวิร์สซอลยูนิตี้ครับพระพุทดธดเจ้ากับภาษารีบูดมีความบริสุทธิ์เท่ากันเพราะเหตุใดทําให้ท่านสอนได้ต่างกันและผลของคําสอนต่างกันอย่างไรครับเช่นกรรินในช่างทองครับ ก็เพราะว่าสติปัญญาของแต่ละคนนี้ได้พัฒนามาไม่เท่ากันการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี้ต้องพัฒนาสติปัญญาแบบระดับร้อยหนึ่งขึ้นไปแต่การเป็นสาวรุ่งนี่การหน้าเสกก็สามารถเอามาดูได้นะคืออาศัยเอาปัญญาของพุทธเจ้ามามาเจริญมาต่อยอดก็เลยไม่ต้องคิดคนด้วยตัวเองเหมนพระพุทธเจ้า ยิ่งคิดค น, นได้หลายด้วยตัวเองยิ่งยิ่งฉลาดแหลมคมมากขึ้นไปเท่านั้นเหมือนไอน์สไตน์พวกไอน์สไตน์นิวตันพวกนี้ก็ต้องคิดคนด้วยตัวของเขาเองต้องคิดคนด้วยปัญญาเขาถึงฉลาดแหลมคมมากยิ่งใช้ปัญญาเท่าไหร่มันยิ่งแลง้เนิ่มคมแต่พวกเรานี้ไม่ต้องมาคิดคนมาเพ่งแต่มาต่ อ, อยอดมาเพ่งแต่มาเรียนมาเรียนเท่าไหร่แล้ความเข้าใจจากที่เราได้เรียนก็พอเพั้นปัญญา ไม่มีใครจะเหนือพระพุทธเจ้าในระดับในพระพุทธศาสนานี้ยพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดแต่พระพเจ้าก็ให้เกียรติเขาภาษาเรียบุญว่าเป็นเป็นสาวกอง์ที่มีมีความฉลาดที่มากที่สุ ด, สดมากกว่าสาวกทั้งหลายทั้งปวงจึงยกให้เป็นอัครสาวกมือขวาเป็นมือขวาของพระพุทธเจ้าว่ามีความเกียการทางด้านปัญญารองจากพระพุทธเจ้าท่านั้นเอ นอกจากนั้นไม่ได้ขาจากเก่งฉละเท่าหบอกว่าสรีพนได้ส่วนพระโมคคัลลานะก็ย่อมค่ายมาเป็นผู้เก่งกาจทางด้านอิทีินทธิปฏิหารให้เป็นอคระสาวกซ้ายของพระพุทธเจ้าลองจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ทั้งสองได้ทั้งอิทธิได้ทั้งปัญญาเพราะเป็นผู้ที่จะต้องออพัดลองผินลองถูกในทุกสิ่งทุกอย่างหรือจะพบทางที่ถูกต้อง พวกสาวกนี้ไม่ต้องไปลองผิดนลองถูกนะเพียงแต่เอาทามที่พระเจ้าสอนมาเดินไปเท่านั้นมาพัฒนาไปเท่านั้นก็เลยไม่ต้องใช้ปัญญามากไม่ต้องใช้สมาธิในระดับที่จะต้องไปขึงขัดอภินญาคุณอ้อนครับการเรียนถามในช่วงเวลาที่เราไม่สบายปวดท้องอ่อนเพลียอยากนอนจิตใจไม่สงบเราควรจะนอนหรือฝืนกิเลสลุกขึ้นมาสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบในช่วงเวลานี้คะ่ะ มันก็แล้วแต่ว่ามันเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยู่ในระดับที่เราต้องการที่จะสู้กับสู้กับความเจ็บไข้ในป้ป่วยเราก็ต้องสู้แต่ถ้าเราไม่อยู่ในระดับนั้นเมื่อมันถึงเมื่อมันทำไม่ได้เราก็พักก่อนก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเราอยู่ในขั้นที่ว่าเราอยากจะทดสอบจิตใจเราว่าเราจะฟันฝ่ากับ ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้ได้ไหมด้วยการใช้ธรรมโอษม์แล้วก็เราใช้ภาวนาการภาวนาสู้กับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยรู้สึว่าเราจะผ่านมันได้ไหมวิใใจญาณเราจะสงบไม่เดือดร้อนกั บ, กบอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้หรือเปล่าถ้าเราต้องการพิสุจน์เราก็ต้องถือว่ามันเป็นวิกฤตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะธรรมด า, าเราไม่เราจะไม่ค่อยไม่สบายตลอดเวลาใช่ไหม น, นานจะเจ็บไข้ได้ป่วยทันทีนะั้นงั้นถ้าเรายังไม่ผ่านทุกขเวทนาแล้วก็จะถึอองโอกาสนี้เอาวะทุกเวทนามาหาเราแล้วเป็นโอกาสนั้นดีที่เราจะได้พิสูจน์ว่าธรรมะอุสดของเราทุนสติปัญญาของเราทันกับมันหรือไม่สู้กับมันได้ไหรือไม่ถ้าเป็นกรณีนั้นเราก็ต้องสู้แต่ถ้าเป็นกรณีปกติที่เรายังปฏิบัติยังไม่พร้อมที่จะเข้าสนามสรบ เมื่อมันทำไม่ได้ก็พักไปก่อนไม่สบายก็หยุดไปก่อนช่วงคราวได้อยู่มีเหตุให้หยุดไม่ได้เหตุเพราะความอยากหยุดนิกที่ที่พระอาจารย์ครับคำว่าผ่านเนี่ยหมายความว่าผ่านคือทนทุกข์จนหายป่วยหรือว่าต้องรวมเป็นสมาธินะครับพระอาจารย์จิตเป็นสมาธิจิตไม่ไม่ทุกข์กับความเจ็บป่วยขางร่างใจยและการเจ็บป่วยก็ยังรู้สึกลดน้อยลงดิวถ้าจิตผ่านไปได้ควันนี้ถ้าเป็นไข้มันก็หายก็มี เป็นคข้เราใช้วิธีนั่งสมาธิซื่อประมาณนี้พ อ, อจิตสงบปั๊บไข่กายไปด้วยกันเองพระป่าท่านนึงได้อยอมเวลาท่านไปเจอไข้ป่านี้ท่านจะใช้ธรรมโอสถกันด้วการนั่งสมาธิซื่อกับทุกขเวทนาพิจารณาแยกกายแยกใจออกจากกาันพอใจเา ย, ยา้าได้ใจสงบปล่อยให้ร่างกายมันอยู่มันอยู่เฉยๆไม่ไปยุ่งกับมัน พอจัดสมาธิมาก็สังเกตว่าไข้หายไปไสเงาแตกพักนะอะไรนั่งพีแตกไปทั่วทั้งตัวอะไรก็มีครับแล้วไข้ก็หายคุณวิไลรักครับทําบุญโดยไม่ไปวัดได้บุญไหมครับคือมันมีบุญหลายชนิดด้วยกันนะที่ไม่จําเป็นจะต้องไปวัดเสมอ ถ, ถึงจะได้บุญเช่นเราทําทานสมัยนี้เราก็ทําทานกับ ใครก็ได้ทําทานกับพ่อแม่ก็ได้เนี่ยยังดูพ่อแม่ก็เท่าแบบเป็นการทําบุญอย่างนหรือว่าถ้าเราอยากจะทําบุญกับวัดเราสามารถโอนเงินเข้าบัญชีวัดได้แล้วก็โอนเงินเข้าไปก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันเหมือน ก, นกับไปที่วัดไปทำที่วัดแต่บางอย่างนี่ม า, าจะต้องไปที่วัดเช่นถ้าเราต้องการจะศึกษาวิธีปฏิบัติทํานี้หรือที่ว่านเราอจะศึกษาไม่เข้าใจ ไม่มีใครสอนอย่างนี้เราก็จะต้องไปที่วัดไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านคอยสอนคอยบอกวิธีการปฏิบัติให้กับเรามันก็อยู่ที่ว่าเราเราจะทําบุญในระดับไหนระดับทางระดับสีระดับภาวนาแล้วว่าระดับไหนที่เราทําเองได้ก็ทําไปถ้าทําเองไม่ได้ก็ต้องไปวัดไปหาคนที่รู้มาสอนเราคุณสมเม่ครับ การเป็นถามพิธีดูอัตราตัวตนว่าลดหรือไม่จะมีวิธีเช็คอย่างไรบ้างคะก็ดูการถือตัวนะถือตัวว่ากหรือเปล่าเราเราอวดตัวแล้วมากหรือเปล่าเช้าอวนหรือเปล่านี่เราไปการวัดการอัตราตัวตนด้วยการที่ยาวแพ้เอาชนะใครนี้ก็เป็นเรื่องขออัตราตัวตนนกัน คุณวงจันทร์ครับพนมมือสวดมนต์ในอาการร้อนที่ฝ่ามือปวดจนต้องแยกมือออกจากกาันตอนนี้แก้ปัญหาโดยพนมมือทํานิ้วห่างกันค่ะพัดลมตั้งแต่เริ่มสวดมนต์ยอมหนาวพอสวดมนต์ไปเรื่อยก็หายหนาวเกิดบอกเป็นคำถามก็ไม่ต้องกังวลกับอาการของร่างกายเวลาที่เราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิมันจะร้อนบ้าง ก, ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยพอเราสวด ดังนั้นทำสมาธิเราก็อย่าไปสนใจกับอาการของร่างกายให้เกาะติดอยู่กับการสวดไปเพื่อใจจะได้มีสติอย่างต่อเนื่องหรื อ, อจะได้เข้าสื่ความสงบได้คุณพีซครับการเจริญภาวนาช่วยให้กรรมหนักกลายเป็นกรรมเบาจริงไหมครับไม่จริงละก ร, รมมก็เหมือนเดิมครับทำกรรมใดไว้ก็จะเหมือนกันจะ ล, ล้มพังมนไม่ได้ จะทําให้มันเบาในกรณ์เนืน่องจากว่าเราไม่ได้ทำเพิ่มสมมติว่าเราทํทาทําบามาร้อยกิโลแล้วเราไม่ทําบาบเพิ่มขึ้นอีกมันก็มีแค่ร้อยกิโลแต่ถ้าเราไม่ไพาะนะเราไปกินเหล้าเมายาไปมีเรื่องมีราวคนนั้นมันก็ไปเพิ่มบาบให้มันหนักเพิ่มมากขึ้นไปแต่บาบมันอยู่เฉยเฉยมันจะไม่หายของมันไปเองมันไม่เพิ่มขึ้นเองแล้วลดน้อยลงไป อ, งอยู่ที่การกระทําของเรา ลดไม่ได้บาปที่ทำแล้วไปลดมันไม่ได้ไม่แต่ยเพิ่มมันเพื่ อ, อทําให้มันไม่เพิ่มได้ น, นั้นเองคุณมาริสาครับเวลาที่คนเราทะเลาะ ก, กันชอบใช้ปากเป็นหอกดา่าเป็นอาวุธคิ่มแทงกันเราจะวางใจอย่างไรเวลาที่เจอปัญหากระทบกระทั่งกันเจ้าคะคืออย่าไม่วางอะไรจากคาพูดของเขาเขาจะพูดอะไรก็ปล่อเขาพูดไป เพราะว่าคิดว่าก็เป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องก็แล้วกฟ้าจะล้องดังไม่ดังนานไม่ดาน น, า น, น, า น, นี้เราก็ไปห้ามฟ้าไม่ได้ดังนั้นป่ากของเขาก็จะพูดยังไงเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องศึกษาเราให้ยอมรับกับคําพูดต่ตางๆครับแต่มันก็เป็นแค่เสียงลมพัดเท่านั้นนะใช่ไหมมันก็เป็นเสียงลมพัดเท่านั้นแต่เราไปให้น้ําหนักไปให้ความสําคัญกับคําพูดของเขาความหมายของเขาเ้วย เราะเรายังมีตัวตนอย่าังอยากให้เขาพูดดีกับเราไม่อยากให้เขาตำหนิเราว่าเราแต่ถ้าเราทําตัวเราเป็นเหมือนกับไมโครโฟนได้ก็สบายไมโครโฟนเราพูดไปหเด็ดดามันยังไงมันก็เฉยช่องมันยังไงมันก็เฉยอันนั้นหลัเป้าหมายของการนั่งสมาธิก็ทําให้ใจเราเฉยเหมือนไมโครโฟนเพราะเรามีเบรแล้วใจเราจะเฉยเหมือนไมโครโฟนเวลาใครพูดอะไรก็เฉยรับฟังได้นะ พูดไปใครดาก็รับฟังได้ใครจะชมก็รับฟังได้เฉยไม่เดือดร้อนท่านั้นแหละปัญหาอยู่ที่เราเราไม่จะราทําใจเฉลไม่เป็นเพราะเราไม่ฝึกสติไม่นั่งสมาธิกันเราจะมีการปฏิกิริยาต่อโต้ทันทีกับสิ่งที่มาสมัมผัสกับเราถ้าชมเราก็ดีใจกระโดดโลดเต้นถ้าด่าเราก็เสียใจโกอดแคขนกอดเพื่อนขึ้นมาก็าดูในโซเชียลมันเนี่ย ใคเี่ยพ อ, อไปอ่านอลไรเข้ามนี่โอ้เส้นร้าเป็นการนะันชมม่มบ้างด่ากันบ้างยิบยักกันมหมดทําไมอ่านเฉยไม่ได้หรือดูเฉยเฉยไม่ได้ไม่ต้องไปคอมเมนต์ไม่ได้เราไม่เคยไปคอมเมนต์อะไรอะไรเราก็ดูไปเราดูไปแล้วก็ผ่านไปกันมันก็จบเพราบางคนนี้ไปพูดจาไปบางทีไปถึงกับไปหมิ่นประมาทเขาจะไม่ต้องถูกฟ้องร้อง เสียเงินเสียธรรติดุกติดตารางก็มีทําไปทําไม mm hmm. เพราะอัตตาตัวตวน <Okay. S 1> ทำไมทําใจให้เป็นตัวรู้ทํายังมีตัวตนอยู่เยอะถ้าเป็นตัวรู้ก็คือมีอุเบกขามันก็จะเป็นตัวรู้ก็จะรู้เฉยๆคุณนาว่าครับคนส่วนใหญ่มักบอกว่าเขาพร้อมรับคำพิพากษาวิจารณ์ได้แต่พอเข้าจริงๆก็รับไม่ได้โกรธ เหมือนพูดเพื่ออยากรู้สิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับเขาเท่านั้นครั้งต่อไปพอมีคนมาถามโยมเลยขี้เกียจพูดไม่อยากตกหลุมพรางอีกจะบอกให้ไปส่องกระจกดูตัวเองก็เกรงจะผิดใจกันแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเขาอยากทราบด้วยความจริงใจหรือแค่หลอกถามกันเฉยๆครับแล้วเราก็หลอกเส็จเขาอยากจะรู้ก็พูดไปนั้นเราก็อย่าไปคำนวลแล้วก็พูดไปตามความจริงถ้าเขาอยากจะรู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาเราก็พูดไป เขาจะพอใจไม่พอใจก็รือ่องของเขาไปก็แค่นั้นเองหรือถ้าเราคิดว่ามันได้ไมนคุ้มเสียก็อยากพูดกั็แล้วกันก็เรียกไปก็ได้ะไม่อยากพูดหรือว่าคุณดูตัวคุณเองดีกว่าไม่อยากจะไม่อยากจะเป็นกระจกงาไว้กับคุณเดี๋ยวคโกดกระจกก็ตีกระจกแตกก็ได้ คุณสุกัน ญ, ญาครับนั่งสวดมนต์เกิดอาการสงบจึงนั่งสมาธิในความสงบเหมือนหลับค่ะแต่รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อออกจากสมาธิจิตและใจสงบสบายนั่งนานสองชั่วโมงเหมือนนั่งแป๊บเดียวนันนานถึงนั่งได้สงบแบบนี้อยากทราบว่าปฏิบัติถูกไหมครับถ้าเหมือนหลับนี้ก็ที่ว่าจะหลับแต่เพียงแนตะ่อาจจะไม่หลับแบบร้อยเปอร์ซ็นตะเครึ่องหลับเครื่องตืน่นยังไม่เป็นสมาธิอีกถ้าเป็นสมาธิสงบจริงๆนี้มันจะไม่หลับมันจะตื่นเต้น ไม่ได้ตื่นเต้นแบบเต้นร้ายเต้นกะตื่นเต้นแบบว่ามารสะใจเวลาจิตสงบจริงๆเนี่ยมันแปลกประหลาดเป็นของแปลกประหลาดนะของที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนอาการอหล่า น, นี้รู้สึกเลยเป็นแบบเครึ่องหลับเครื่องตื่นมันเป็นค่อนข้างที่จะอ่อนคุณสมพรครับการไปเริโภคบางครั้งบางคราวก็มากเกินควรแสดงว่ายโยมยังขาดสมาธิขาดสติในการใช้จ่ายใช่หรือไม่ครับ ใจ่ไม่อยากขาดถ้าไปสมาธิแล้วจะไม่ก็อยากจะใช้อะไรมันไม่หิว่ใจมันเอง ม, มันก็จะใช้ตามความจําเป็นแต่ถ้ามันไม่มีสมาธินี่มันจะถูกอารมณ์ครอบนาความโลภมุขยาอยากจะได้มากมากทันทีบองที่ตักอาหารมาที่โอ้ตอนเวลาหิวนี่โอ้ตักเท่าไหร่ก็เที่ยวกินไม่พอเฮะกินมากินมาบางทีกินไม่หมดเนี่ยอารมณ์มันหลอกเรา คุณโยโย่ครับการเป็นถามครับในระยะหลังผมมักใช้เวลาอยู่ในงานศพมากกว่าไปยินดีในงานรื่นเริงงานศพให้แง่คิดกับผมมากกว่างานรื่นเริงแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรองสังเวชได้ไหมครับได้เป็นการเจริญปัญญาเป็นการให้เราเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตในั้ที่สุดก็มาจบกันที่ตรงนี้แหลนะกระยาใหญ่ขนาดไหนจะารวยขนาดไหนก็ในที่สึกต้องการกาเป็นศพแล้วมันทำให้เรา ความกิเลสปัญถาของเราได้ได้ได้ไดไดเปนอย่างมากเลยการหลงระเรินอยากจะได้นู่นได้นี่มันจะน้อยน้อยถอยลงไปมากนี่เกิดความเรื่องความอยากต่างๆพอ ท, ทีถึงวันตายแล้วมันมันทําให้เบรกนะมันกเลันเหยียบเบรกทันทีทคุณนาวามีคําถามจากคุณมากรวมากับขอบถามพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษครษับผม Okay. Question number one: When practicing Dhamma and when meditating, you see your own corpse skeleton. What does that mean? It, it just means that you see the truth of your body. This is the truth of your body. Your body is made up of skeleton, s and also it will it will one day become a corpse. So if you can see this, it means you uh, uh, start to become enlightened. You start to see the truth. Before that, you are uh, you are not enlightened because you you you don't see the truth of the body. You only see partially. Only you only see the external side of the body, but you never see the inside of the body. So it is it is good thing because this is what we want to do is to teach the mind the truth. So then the mind can then. Uh, Know how to deal properly with the body. Second question: Is it a good thing that it did not bother me? Yes, it means you have a you have a a mind for you are you are receptive to the truth. Your mind is not emotional. Your mind, rational, l y scientific mind, able to accept the truth that you study. That I did not feel afraid. Yes, you should not feel afraid. That's the goal for you, for us all, is to teach us the truth about our body, and then accept it. If we if we can accept it, then we will not be afraid. If we cannot accept, we will be afraid. So you are you r e going in the right direction, because fear is is not good for the mind. Fear is bad feeling. Why not not fearful? It's good feeling. We want to maintain good feeling all the time for the mind. มีคำถามที่ครับอาจารย์ครับยา Question mm -hmm. number two. When practicing Dharma together with my partner, we often talk about Dharma questions and d i l e m n t s What is the best way not to feel worthless? t h a n partner who is doing very strong and good Dharma practice. Well, we just have to accept that some people are better than others in terms of their ability to do things. So if you can practice more than you can, then you just have to accept it and use her as a model for you to follow. Don't don't try to feel that you are worthless. You know, it's useless because uh, people are different. Some people are smarter than other people. But that doesn't mean that a person who is less smart is worthless. Yeah. If you want to, if you feel worthless, then you should look at somebody who's worse than you are. Then you might not feel worthless. Okay. Then one is the best way not to feel worthless: t h a n partner with a very strong and good dharma practice. Okay. Uh, how can I not feel as if I am not doing well in dharma practice? By putting in effort and notice improvement. Well, you just have to say it's like planting trees. Sometimes it's very slow process, and you you m i g h not be be able to see the change that you have accumulated from your practice. So just be patient and just keep on practicing. It's like eating. You know, when you start eating with just one one mouthful of food, you don't get full right away. You know, you have to keep eating and keep on eating, eating. And eventually, you you start to feel full. This is the same thing with our practice. Sometimes we cannot measure it uh, conspicuously. It's a uh, it's something that creeps in creeps in slowly. You know? So it takes time for you to be able to to see the difference. You might have to compare yourself now and t o before you started this practice, and you might be able to see the difference in yourself. หวงว่าคงจะเข้าใจนะ ค, คุณวรรณภาครับเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนตอนเช้าขณะแปลงฟันอยู่จู่ๆก็มีความคิดแทรกเข้ามาในความสงบว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วก็ดับไปจิตจะตามไปดูเพราะอยากรู้อีกแต่ถูกดึงกลับมาข้างในโดยอัตโนมัติรู้สึกตัวทันทีและเจริญสติต่อพอถึงช่วงทานอาหารก่อนเที่ยงจู่ๆมีความคิดผุดขึ้นมาว่าให้เจริญสติแม้แต่เวลากินอาหารก็รู้สึกตัวและเห็นว่าก่อนหน้ากําลังเพลินกับความรู้สึกอร่อย ก็สามารถกลับมาเจริญสติต่อกับทุกคําที่เคี้ยวอาหารและรู้สึกอิ่มทันทีเก็บสำรับอาหารทันทีรู้สึกมีความสุขกับการกับกําลังที่เกิดขึ้นใช่การเจริญสติก็จระรับอารมณ์ต่ตางๆได้อารมณ์ยาเกินความความต้องการของร่างกายได้กินไปแล้วจะรู้สึกว่าอิ่มเร็วถ้ามีสติกินน้อยแต่อิ่มเร็วแต่ถ้าไม่มีสตินี่กินมากก็ยังไม่อิ่ม กินเท่าไหรก็ไม่หต่งยังไงรู้สึกก็ไม่กินไม่ลงแล้วร่างกายมันรับไม่ไหวนัว้นถึงจะถึงจะหยุดกินดีเนี่ยนี่แสดงว่าถูกงั้นนี่คือการปฏิบัติอยากจะให้ปฏิบัติแบบเนี้ยให้มีสติอยู่กับทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าให้ใจไปลอยไปที่อย่าให้ใจไปคิดเรื่ อ, ง, องให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากาลังทําอยู่เพียงอย่างเดียวเอาใจเราจะนิ่งใจเราจะเย็นจะมีความสขขขกับกัน คุณสมพรครับถ้าโยมบริกรรมด้วยบทสวดมนต์จากบทสวดธรรมวัดเย็นแทนบริกรรมพุโทโธเพราะดูเพลินถูกจริตเสมือนท่องจําบทสวดมนต์คาราโอเกะบทสวดมนต์ไปในตัวอย่างนี้ถือเป็นการบริกรรมแทนพุโทโธได้ไหมครับก็ในระดับต้นก็ได้ถ้าใจเราฟุ้งซ่านเราไม่ยอมอยู่กับพุโทโธแล้วก็ใช้การบทสวดมนต์ไปก่อนกอกใจให้มัน ให้มันสงบในในในระดับหนึ่งก่อนเพราะมันอยู่ในระดับที่มันสามารถใช้พุโทโธได้แล้วก็ควรจะอยู่เฉแล้วก็มาหามาใช้พุโทโธนะคุณสํารวยครับขณะที่เราทําสมาธิจิตรวมเกิดกายหายพิจารณาดูแขนขาตัวไม่มีแต่มีตัวรู้อยู่คือจิตเดิมใช่ไหมครับสมาธิแบบนี้จะเป็นมิจฉาสมาธิหรือเปล่าครับ ไม่หรออันนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิจะเป็นคณิกะหรือป็นัปปนาถ้าสอนบยวเดียวก็เป็นคณิกะถ้าสอนบอกนานก็เป็นปนัณณปนาสมาธิไม่ใวิจ ช, ชาสมาธิวิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ทําให้เราไปมีความสามารถพิเศษเช่นสามารถที่จะรับรชาติได้ติดต่อกับกายทิพย์ได้อย่างนี้อันนี้เป็นวิจฉาสมาธิเพรก็ เ, เป็นสมาธิที่ไม่สนับสนุนใ น, นการจเจริญปัญญา ค, คุณมอมรศักด์ครับพระที่สักยานและลงคาถาอาคมให้ญาติโยมอย่างนี้ถือว่าอาบัติไหมครับมันไม่ใช่จะเป็นกิจของพระการมาบวชนี้เพื่อบวชมาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อลักกิเลสปฏิบัติตายสิกขาสีนสมาธิปัญญาเพื่อลักิเลสเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อลดพ้นแล้วก็มีน ห, ห น, มน้าที่เอาสีนสมาธิปัญญานี้มาสั่งสอนญาติโยมต่อไป คุณแจ็คครับพระอาจารย์ครับถ้าผมอยากจะออกบวชแต่ยังมีภาระหนี้สินและอาการเจ็บป่วยไม่เหมาะกับการบวชควรทําอย่างไรก่อนจะบวชครับก็บวชเป็นคารวาไปก่อนงถือสิ่แปลไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาอยู่วัดก็ได้มีมีมีญาติยมที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยเขามีภาระมีอะไรที่เขายังบวชไม่ได้แต่เขาก็มาอยู่ปฏิบัติธรรมมาอยู่ท่านหนึ่งนั้นมาอยู่มาหลายปีแล้วมาอยู่เดือนนึงก็จะกลับบ้านครับงหนึ่ง พอสิ้นเดือนก็กลับไปทําธุระอะไรสักสามสี่วันเสร็จแล้วก็กลับมาปฏิบัติทำมาตั้งหลายปีก็ยังไม่เห็นบวชสักทีเราก็ไม่เคยถามว่าจะบวชเมื่อไหร่เพราะนี่เป็นเราก็ไม่อยากจะไปก้ากไกลชีวิตของเขานะเขาพอใจกับการปฏิบัติแบบนี้เขามีความเขาก็ดีเขาก็ทําขาก็ทำทำทานสายบาตทุกวันเ้าก็ปฏิบัติเขาอยู่ทุกวันเหงื่อก็มีความสุขดี งั้นแต่ะคนนั้นปฏิบายิขอแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันนะไม่จําเป็นว่าจะต้องบวชเสมอไปบางคนอาจจะมีภาระเกี่ยวกับพ่อแม่ที่ต้องคอยดูแลบ้างและมีที่เสียมีลูกที่เราเล้ยดูบ้างอะไรแล้วก็ยังมีเวลาปีกมาปฏิบัติได้ก็ปีกไปปฏิบัติแล้าพอมีธุระต้องกลับไปทําำก็กลับไป ท, ำทํำธุระไปก่อนทำอย่างนี้ไปก่อนดีวกว่าสิ่งต่างๆที่เป็นข้อผูกพันนี้มันหมดไป สามารถไปบวดได้ก็ค่อยไปบวชก็ได้พะผมเจอพี่เขาอยู่บนเขาใช่ไหมครับอาใช่พี่สมบัติเนี่ยสมบัติใชห่หลายปีแล้วนะ <c oughs> หลายปีแล้วมห <c oughs> ลายปีแล้ว <c oughs> นครับอา้ารยาสิบปีได้่าไม่เป็นรืออ ย, <c oughs> อย่เนี้ยมาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกุงเทนออยู่บนนอกชายกุง <c oughs> ิดูดูลพี่เขาเออมีความสุขดีนะครับอาจารย์ <c oughs> คุณกัญญาครับขอากลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่ากรณีเดินจงกรมบนพื้นปูนซีเมนที่หยาบถ้าสวมรองเท้าจะใช้ได้ไหมคะได้ไม่มีข้อห้ามเรื่งการเรื่องการเดินจงกรมเราจะใส่รองเท้าแล้วถอดรองเทา้าแล้วแต่อัธยาศัยคุณพปรปวีครับเคยไปปฏิบัติเคร่งแบบเจ็ดถึงสิบวันแล้วจิตหลุดภายหลังเพราะว่ามีภาวะเคมีในสมองไม่สมดุลซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติ แต่ตัวเองอยากปฏิบัติแล้วจัเจริญสติค่ะแนะนําให้ปฏิบัติแบบไหนที่บ้านคะก็แบบเดิมแให้เป็นฝึกสติพยายามเจริญสติอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่ที่บ้านก็ลองลองควบคุมความอยากด้วยการบังคับให้นั่งอยู่กับที่อต่ไม่ต้องทรมานนั่งกายคือไม่ต้องนั่งแบบขัดสมาธิหรือไม่ขยับนั่งแบบสบายนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ถ้าเมื่อยอยากจะขยับก็ขยับ เรา อ, อยากจะลุกขึ้นมเยืนก็ได้แต่บังคับให้มันอยู่ตร ง, ตรงจุดนั้นจุดเดียวไม่ให้มันไปที่ไหนแล้วให้ใช้สติสู้กับมันไปใด้ทำอะไรครับพุทธโธพุทธโธหรือการนั่งดูลมหายใจเข้าออกไปหรือการเจริญจารณาการสารมัญสอนบางอะไรก็ได้ใช้สติใช้ปัญญาเพื่อต่อสู้กับความอยากที่จะไปนู่นมานี่อยู่ตรงนี้ก็อยากไปตรงนั้นอยู่ตรงนั่นก็อยากจะกลับมาตรงนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ เราลองฝ่งาไว้ตัวนี้ก่อนโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วไม่ขยับเลยอันนี้ขยับได้แต่ให้อยู่กับที่ให้อยู่ตรงเก้าอี้นั้นถ้านั่งแล้วเมื่อเมื่อยแล้วก็ลุกขึ้นมายืนถ้าหิวนน้ําก็เอาน้ํามาตั้งไว้ถ้าปวดถ้าปวดฉี่ถ้ามีกระถดก็เอามวางไว้ข้างเก้าอี้ก็ได้หรือถ้าจะเป็นจะต้องเข้าน้าก็ไปแล้วต้องรีบไปแล้วต้องกลับไม่ทะเลทเลายไปที่ ลองฝึนอย่างนี้ดูไปก่อก็ได้พรอยู่ในบ้า น, นที่มันจํากัดมันเดินจำกุมไม่ได้เด็กก็เราเอาแบบนั่งแบบสบายเราปราบความอยากอันนี้ก่อนให้มันอยู่เฉยๆให้มันนั่งอยู่กับก้นไปนานๆหลายชั่วโมงให้ได้ก่อนโดยที่ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องดูไม่ต้องติดต่อคนนั้นคนนี้ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรของภายนอกกายเลยเอาของที่มีอยู่ในใจเราสู้กับตีเด็กับความอยาก ือสติปัญญาถ้าทำได่ไล้วใจมันจะสมบลงพอสมควรแล้วมันจะทำให้การปฏิบัตินี้ง่ายขึ้นเยอะเลยคุณสมพรครับบทสวดมนต์กับปะวัตนาสูตรมีความหมายหลักๆอย่างไรและน้อมกาบขอทราบหลักธรรมหลักๆของบทนี้ครับอ๋อไปอ่านคำแปลแเนี้อทำมาจากกับปะวัตนาสูตรเนี่ยบทสวด ร, รของยา สรุปก็คือแสดงอริยสัจสี่แสดงมรรคแแสดงทางสายการแนะนต้นว่าการปฏิบัตินี้อย่าไปปฏิบัติทางที่มันสุดโต๊คือดับความทุกข์ด้วยการใช้การละสมประดับดับไม่ได้ดับความทุกข์ด้วยการทรามานร่างกายก็ดับไม่ได้มันพุทธเจ้าอดข้าวทั้งสี่สวันก็ดับความทุกข์ไม่ได้ก็ดับความทุกข์ด้วยทางสายการทางสายการก็คือมรรคแมรรคแ ก, ก็คือสีนสมาธิปัญญานี้ นี่คือสัจจินจามาที่ปัญญาเพื่อให้เข้าถึงปัญยาสัจสีให้เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากวิธีดับความทุกข์ก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับให้มันเที่ยงได้อันนี้ก็มีแค่นี่ะโดยโดยสรุปง่ายๆของประธรรมจักรแ่หนังสือส่วนบทส่วนมูทุกบทนี่ก็มีคําแปลเราเขียนคําแปลเข้าไป เข้าไปในอินเทอร์เน็เาานต เ, าานเนี่ยกินเอามาจัายกับว่าวัฒนธรรมสุดแปลแต่คำว่าแปลนั้นเองก็เจอับแปลคุณกอนกระมลครับกาเรียนถามเจ้าขาการฝึกดูอสุภะครับก็ให้เราดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายบ้างกิเลสพักชักชัยหลอกให้เราไปดูส่วนที่สวยงามของร่างกายแล้วก็ไปหลอกรักเขาแล้วก็ไปทุบ ก, กับเขาใช่ไหม ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขาเราก็ต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามเพราะเมื่อเราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเราก็จะไม่รักเขาไม่หวงเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาองจากส่วนที่ไม่สวยงามส่วนใหญ่มันถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเลยคืออาการตั้งแต่เนื้อเข้าไปใต้หนังก็คือเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า แล้วก็สมองสีสะอันนี้คืออาการภายในที่เราควรจะศึกษามองไม่เห็นถ้ยายัไม่มองมองไม่ออกไม่เคยเห็นก็เราไปเปิดหนังสือดูหนังสืออนามตมีต่างๆยิ่งสบายง่ายเรามีมือถือนี่เป็นหลักวันนี้มีห้องสมุดอยู่ในมือถือของเราเขียนคําว่าสุภาเข้าไปดูก็ได้ไเขียนคําว่าอนามตมีก็ได้เราก็จะได้เห็นส่วนต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ของร่าง ก, กาย ดังนั้นก็มันคิดอยู่บ่อยๆนึกอยู่บ่อยๆพระต่อไปเวลาเราเห็นส่วนที่สวยงามของร่างกายแล้วเราไปหลงรักเขาแล้วก็ให้นึกถึงอสุภะขึ้นมานึกถึงกองกระโหกที่มีอยู่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเขานึกถึงกระโหกศีรษะที่อยู่ภายใต้หน้าหน้าที่สวยงามของเขา <Okay. S 1> พอเห็นกระโหกศีรษาเห็ น, นกองกระดหกขึ้นมามันก็มันแทนที่จะรักมันก็เลยไม่รักขึ้นมาได้ มมัันกกก็จะไไ่กกูบเขาปคุณชมชนกครับสามีโยมีโรคประจําตัวครบทุกโรคเจ้าค่ะและเขาไม่ทําตามที่หมอแนะนําเมื่อถึงวันที่คุณหมอนัดเขาจะได้ยามาทานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโยมจึงดุเขาบ่อยๆก็ฟังพระจากพระอาจารย์ดุสามีเป็นบาปขอความเมตตาจากพระอาจารย์แนะนําด้วยเจ้าขาคืออย่างที่บอกต้องใช้อเบกาถ้าพูดแล้วเขาไม่ฟังเราล้วก็อย่าไปพูดดีก่า ไปพูดแล้วทำให้กอดกันเกียดกันประมาณไหวเข้าไปหรือแจะยังพูดกับพูดดีๆพี่จ๋าลองพูดเอบหวานๆเหมือนตอนที่รักกันใหม่ๆไม่ได้นะเวลารักกันใหม่ๆจะกันใหม่ๆนี่หวานจ้อยเลยหวานเจียจ๊ยบเลยพออยู่กันไปนานๆเข้ามึงกูก็ออกมาแนละ้ว <laughs> คุณบัญชาครับเมื่อเราอยากเดินทางธรรมในการใช้ชีวิตเราไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ไม่เข้าสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครทำแค่สิ่งจำเป็นที่ต้องทำเมื่อมีปัญหาก็คิดว่าไม่เป็นไรฝึกคิดบวกตลอดเวลาปฏิบัติเบื้องต้นแบบนี้ต่อไปจะทำให้อินซีเราแข็งขึ้นจนสามารถตัดทางโลกและเดินทางธรรมได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมคะตอนนี้พยายามฝึกนั่งสมาธิอยู่ครับได้นี่เป็นทางที่เราจะต้องไปเราก็ต้องฝึกไปก่อนฝึกอยู่คนเดียว ไม่พึ้น อ, อะไรสต่พึ่งตนเองขึ่งธรรมะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเอาสติเป็นที่พึ่งเอาปัญญาเป็นที่พึ่งแต่ทำไปเรื่อยๆต่อไปใจเราก็จะมีกําลังมากขึ้นมีความกล้าหาญอดทนมากขึ้นแล้วเราก็จะฟันฝ่าอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้อย่างสบายคุณรังสีครับกราบเรียนพระอาจารย์ครับการนําเงินใส่ในบาทพระตอนบินาบาทผิดไหมครับต้องอาบาัติไหมครับ สำหรับโยมันไม่ไม่สำหรับพระนี่รับรับเงินทองไม่ได้าไม่ให้รับกับกับตนเองให้ฝากไว้กับผู้เช่นถ้ามีลูกศิษย์มาด้วยก็บอกให้เอาเันนี้ฝากไว้กับลูกศิษย์เพราะว่าพองมันจ้าไม่ต้ารให้พระครอบครองเงนเพราะการครอบครองเงินนี้มันเป็นอันตรายทั้งทางกิเลสและทางทางร่างกายคือถ้ามีเงินถ้าเจอผู้ร้ายลูกก้าจะมาป้อนมาจี้ได้มันทำร้ายชีวิตของพระได้ ส่วนทางกิเดสเมื่อมันมีงานมันก็กิเลสล้วก็ออกอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกเก่งตัวสิอยากจะซื้อ น, นั่นมากินซื้อนั่นมาดูอะไรต่างๆนี่ถ้ามีงนินงานที่ถวายนี้เจตนาก็คือให้อามาใช้กับสิ่งที่จําเป็นต่อการเรื่องดูร่างกายเช่นาร่างกายเจ็บไายได้ป่วยแล้วต้องซื้อยามารับประทานนี้ก็เอามันนี้ไปซื้อ ถ้าวันไดนเป็นบิณฑบาตไม่มีอาหารจากบิฑบาตก็เอาเงินนี้ไปซื้ออาหารมารับประทานได้อันนี้มีจตนาอยู่ที่ตรงนี้คราบมีเงพระมีเพื่อสัมณะบริโภคสมณะบริโภคก็ปัจจัยสี่อาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยมาใช้เกี่ยวกับปัจจัยสี่เท่านั้นไม่ให้เอาไปใช้กับการ ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นเจตนาของการให้มีเงจึงไม่ให้เก็บไว้กับตัวเองนะถ้าเก็บไว้กับตัวเองมันง่ายจะซื้ออะไรกร็พกกระเป๋าเดินเข้าร้านซื้อได้เลยแต่ถ้าฝาไว้กับญาติโยมนี่มีญาติโยมคอยคอย ด, ดูพฤติกรรมของอาจารย์มันไม่ใช้ละญาติโยมได้รู้กันอาจารย์เลยไม่ให้ครอบครองเองนนี้ให้ฝากไว้กับญาติโยมที่เชื่อถือได้ พราะญาติโยมบางคนก็เชื่อถือไม่ได้ก็มีบางแล้วมัก็เงินก็สูญหายไปเลยก็มีถ้าท่านเงินสูญหายก็ไม่ให้ไปถือว่าเป็นเงินของของพระด้วยพระไม่ให้ถือว่าเป็นเงินของตนให้ถือว่าเป็นเงินของญาติโยมฝากเอาไว้ก็ไปบอกญ า, าติโยมว่าต่อไปอย่าอย่าฝากเงินไว้กับคนนี้นะเพราะคนนี้ไม่ใจไม่ได้เงินที่เขาที่ฝากไว้ญาให้มาให้พระใช้ไม่ได้ใช้เลยพเพราะข้าไปใช้หมดครับ คุณอาชาครับโยไม่เข้าใจว่าทําไมธรรมชาติจึงต้องให้คนเรากลัวความตายทางกายกันมากทาั้งๆที่ความตายของร่างกายก็คือนิพพานประการหนึ่งแม้เจ้าคุณนวัตเทพก็ยังกล่าวว่าความตายเป็นยิ่งกว่ามหามิตรนะเจ้าคะคือความตายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายมันเกิดแล้วมันต้องตายแต่ความกลัวตายนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมชาตินักกี่แหล่มั น, บบ เ, มนเป็นความหลงความหลงที่ไป หาความสุขผ่านทางร่างกายเมื่อเราต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมันก็เลยรักเราก็หวงร่างกายไม่อยากให้ร่างกายเป็นลายไปเพราะถ้าร่างกายเป็นลายไปเราก็ไม่สามารถหาความสุขได้นั่นเองมันเลยเกิดความกลัวขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะกลัวก็คือเราเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมาหาความสุขทางใจกันมาฝึกสมาธิมานั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วพอเราเป็นความสุขทางใจแล้วเราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกาย อนนันเราก็จะไม่กลัวตายได้เพราะรู้ว่าไม่มีมันแล้วก็ยังอยู่ได้เรายังมีความสุขได้คุณมาริสาครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องคู่สามีภรรยาที่อยู่กันมานานแล้วเกิดความเบื่อหน่ายแต่ต้องทนอยู่เพื่อลูกและครอบครัวต้องใช้หลักธรรมข้อไหนคะขอความเมตตาครับก็หลักธรรมเหมือนตอนที่เราอยู่กันใหม่ๆไ่ก็ใช้ความเมตตารักกันเหมือนเดิม ก็ทําไมทาไมถึงเกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นมาก็เพราะว่ามันไปเห็นของที่ไม่น่าดูใช่ไหมมันก็เลยเบื่อนหน่ายเลวลาเราพบกันใหม่ๆแล้วก็มักจะเอาเอาส่วนที่สวยงามมาม า, มาโชว์กันแต่พอเราอยู่ด้วยกันแล้วก็บางทีก็เผยเอาของที่ไม่สวยงามออกมาโชว์บางเวลาโรกรธก็ว่ากาววาจาพูดเสวาาบ้างอะไรอย่างนี้มันก็เลยทําให้เราเกิดความเบื่อนหน่าย ถ้าเรายังก็อยู่แม้ด้วยกันก็คิดว่าอยู่แบบเพื่อน ก, กันก็แล้วกันมีเมตตาต่อกันเหมือนเดิมไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังความรักอะไรจากเขาแต่หวังความเป็นเิตรอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันอย่าเกลียดกันก็นพออยกันไปคุณก้องครับกับเรียนถามขอรับเราช่วยคนแต่วันหนึ่งไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ถ้าเขาทุกข์และเดือดร้อนเราช่วยไม่ได้อันนี้เป็นบาปไหมครับ ไม่บาปหรกมันก็เป็นเรื่องส่วนวิสัยนนไม่ได้บุญนั่นึ่งการช่วยเหลือผู้แต่ไม่เราได้บุญพอเราหยุดช่วยเหลือแล้วก็ไม่ได้บุญ น, นั่นเองแต่ไม่ได้บาปบาปต้องไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้นอนถึงจะเป็นบาปต้องไปทําร้ายร่างกายเขาถึางจะเป็นบาปคุณรัชนีกรครับ ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครอบครัวของเราวุ่นวายใจกับความเจ็บป่วยแต่ด้วยครอบครัวเราได้รับความเมตตาจากการฟังธรรมจากพระอาจารย์มายาวนานสิบปีทำให้เราสามารถระงับความทุกข์เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วจากผลของการปฏิบัติแม้กระทั่งสามีที่ป่วยเองกับทำใจให้นิ่งเฉยได้ตามคามสอนของพระอาจารย์ครับ่เป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นบทที่เกิดจากการที่เราใช้ธรรมะเป็ น, เ ป, นเป็นที่พื้นทังใจของเรา คุณทิฐิชยาครับเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าใจธรรมจากพระอาจารย์เมื่อตัวหนูเองจนร่างกายพิการแล้วเจ้าค่ะพอไปทํางานได้อยู่เจ้าค่ะเพียงแต่ร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเจ็บป่วยหนูซ้อมตายบ่อยๆค่ะก่อนหน้าไปติดรูปรถกลิ่นเสียงร่างกายขยับหกักได้ยินเสียงเพลงปัจจุบันนิ่งไม่ได้ยินเสียงดนตรีไม่ค่อยฟังดนตรีแต่กลายเป็นฟังธรรมแทนเจ้าค่ะ หนูน่าจะฝันแต่ไม่เอามาจำว่าฝันอะไรเจ้าคะ่ะหนูเลยบอกว่าร่างกายพิการแต่จิตไม่พิการแบบนี้อวดไหมเจ้าคะไม่ไม่ไมอวดเราเป็นการเป็นการพูดความจริงในการสอนใจเราไม่ให้ไปทุกกับความเป็นไปของร่างกายการร่างใจเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายคุณแพทครับตั้งแต่ ฟังรมและเริ่มปฏิบัติทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามทำช่วยให้ปล่อยวางอารมณ์โกรธได้ง่ายขึ้นค่ะอยากเรียนถามว่าเวลาบริกรรมพุโทโธควรกำหนดวางจิตไว้ที่ใดหรือไม่คะมไม่ต้องมาว่าที่น ย, ยกบคบริกรรมไปอย่างเดียวคุณต่ายครับกับเรียนถามพระอาจารย์โยมอยากให้ใจโยมมีความเมตตาเป็นอัตโนมัติต้องฝึกอย่างไรสอนใจอย่างไรคะให้ความเมตตาน้ซึมซับแนบกับใจเราเจ้าคะ่ะ ก็พยายามทําบ่อยๆทำให้มากเป็นเนหมือนการซ่อมแลต่พอเราทำอะไรบ่อยๆมากๆเข้ามันก็ติดเป็นนิสัยไปมันก็จะเป็นอัตโนโมัติไปต่อไปคุณวีรพงศ์ครับอาชีพทหารในเวลาสงครามถ้าการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติของทหารทําให้ศัตรูเสียชีวิตแบบนี้ถือว่าทาบาปหรือเปล่าครับก็เป็นบาปแต่มันเป็นบาป ท, ที่มันไ ม, ไ, ม ไ, มไม่หนักเท่ากับ บาปที่เกิดจากการที่เราไปฆ่าคนอื่นด้วยความโกรธโกรธเกลียดเกลียดชังหรือเวลาเราไปรักทรัพย์ของเขาแล้วเกิดการต่อสู้มาแล้วเราไปทําให้เขาตายอย่างนี้ยาบามากกว่าแต่บาแบบเพื่อป้องกันตัวเองนี่มันก็เป็นบาปอย่างนั้นเป็นบาปที่ที่นิดที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับบาป ก, การกระทําฆ่าแบบนี้คุณเปาครับ ภาวนาในที่น่ากลัวเหมือนมีคนมานั่งตักทับชาตัวบริเวณนั้นถ้าสติดียอมจะเกิดอะไรก็มามันจะค่อยๆค่อยๆคลายไปบางทีถึงกับดูลมไม่ได้แน่นต้องกลับมานึกพุโทโธจนคลายเขา อ, อุบายท่านพระอาจารย์ครับเผื่อเกิดอีกครับก็ทําถูกแล้วเนะีเวลาถ้าเกิดอะไรขึ้นมาถ้าดูลมไม่ได้ก็มาสานคำบริกรรมคำนั้นคำที่ดีที่สุดมเกิดความกลัวแล้วขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่กลัว แล้วเดีย ว, ยวความโกรธนั้นก็จะหายไปคุณตูครับต้นปีที่แล้วหนูเส้นเลือดในสมองแตกโชคดียังเดินได้ปฏิบัติและรักษาสินแปดในวันพระแต่มือเย็นมียาความดันครึ่งเมต็ดต้องกินถ้าทานนิดนึงเพื่อจะกินยาผิดสินข้อหกไหมคะมันก็ผิดแต่ท่านจำเป็นก็ต้องถือสินข้อเจ็ดถือถือสินเจ็ดไปก็แล้วกัน สิ่งนี้นี่ก็ยกเว้นไปเพราว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลร่างกายที่จําเป็นจะต้องกินยาและต้องมีอาหารไม่ให้ท้องว่างก็กินไปก็มีการผ่อนผันผ่อนผันได้ถ้ามีเหตุจําเป็นจริงแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ผิดศีลอยู่ดีแต่ก็ไม่ให้เป็นความเสียหายแใดๆได้เพราะเราไม่ได้กินด้วยความอยากกิน กาบเรียนพระอาจารย์เขาเขากัดครับจริงๆยาความดันเนี่ยไม่จําเป็นต้องกินหลังอาหารก็ได้ครับอาจารย์ก็คือกินได้เลยครับไม่ต้องกินยาเยอกินตอนตอนไหนก็ได้กินตอนท้องว่าก็ได้นะก็ได้ครับถ้าพวกยาพวกวิตามินพวกยายาเสริมเช่นพวกยาแคลเซียพวกนี้กินได้ตลอดเวลาไม่ไม่ไม่มันไม่ไปกับกระเพาะใช่ไหมับยาพวกนี้คือมันก็รวมไปหมดเนี่ย ถ้าถ้าวิตามินบางอย่างที่ที่เป็นเป็นวิตามินซีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถ้ากินตอนที่ท้องว่างมากๆก็งทีกนเครืองแล้วบางทีก็เป็นนิ้วได้ครับควรจะกินแล้กินหนักเยอะอะไรยนยครับแต่หลายๆตัวอย่างวิตามินบีอย่างงี้ก็ไม่ได้เป็นไรครับมีปัญหาที่ดีก็ก็กินตามขนาดเช่นเขาวิตามินรวมนี่เขาแนะนําให้กินวันละเม็ดเอาคกินแค่วันละเม็ดก็ไม่มีปัญหาใช่ครับแต่ก็กินพร้อมอาหาร พวกแคลเซียมที่ต้องเสริมกระดูกเนี้ยก็กินตามที่เขาแนะนำได้แต่ไม่ต้อความมหันต์ก็ได้ครับผมถ้าเราไม่ได้เรากินน้ำเมื่อเดียวเนมือ่ออื่นเนี่ยเราก็ไม่ได้กินแต่เรากินยาพวกนี้ได้ใช่ไหมครัครับผมถ้าเป็นตัวส่วนใหญ่ได้ครับอาจารย์มีบางอย่างเท่านั้นเองครับอาจารย์ครับโดยที่กินไม่ได้เพราะมันส่วนใหญ่มันกัดกระเพาะใช่ไหมมันทาให้รกระเพาะมันใช่ครับ อย่างมันไปกินเข้าไปมันก็ขึ้นไส้ครับอาจารย์อย่ากินฝังกสีอย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นไส<ม>้ ค, <ม>คุณเล็กครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะตัณหาและความอยากในความสงบเป็นปัญหาในการฝึกสมาธิไหมคะและถ้าเป็นเราจะระ ง, งับหรือกําจัดมันได้อย่างไรคะคือตัณหานี่มันเป็นมันเป็นปัญหาเพราะว่ามันไม่ใช่ความอยากในสงบมี่ไม่เป็นปัญหาความอยาก ต้องมีความอยากในความสงบถึงทาให้เราไปนั่งสมาธิกันแต่ตันหาความอยากที่อย่างอื่นนี่ตัณหาที่ที่อยากหาความสุขทางตาหรือจมูกนัการที่มันเป็นกิเลสเราต้องแยกแยะว่าความอยากนี่มันเป็นแบบที่เป็นตันหาที่เป็นกิเลสก็มีความอยากที่เป็นธรรมตงนี้เป็นมัจตรงนี้เช่นความอยากอยากมีความสงบเนี่ยมันเป็นมัจว่าเราอยากจะมีความสงบเราก็จะได้ไปหาที่สงบฝึกสมาธิกัน ันนี้ไ ม, ไม่ไม่เป็นไม่ไม่เป็นกิเลสความอยากที่จะหาความสงบจะรูปเสียงกลินน่นนั่นเชนที่ว่าเป็นกิเลสคุณตู้ครับปฏิบัติเดินจงกรมและต่อด้วยการนั่งสมาธิบางครั้งนั่งสงบจนใจรู้สึกมีความสุขแต่บางครั้งนั่งแล้วเกิดความเวทนามากพยายามฝืนจนครบเวลาเป็นอย่างนี้สลับไปมาค่ะแต่จะปฏิบัติจารสตริตั้งแต่ตื่นจนเวลานอนค่ะ ก็เวลาที่มันเกิดเวทนานี้พยายามใช้คําบระเล็กคำเดีว๋วอยู่เฉยๆอย่าไปฝืนมันแบบนั่งเฉยๆมันจะท ร, ร ม, มานมากเพราะใจมันพยายามที่จะต่อสู้ใจมันอยากจะให้เวทนาหายและอยากจะลุกหนีแต่ถ้าเราใช้คําบริกรรมนี้มันจะระ ง, งับความอยากลุกหนีเลิกความอยากให้มันหายได้แล้วจะทําให้ใจเราไม่รู้สึกท ร, รมานเวลาที่เราต้องเจอกับเวทนามากๆเวลาเจอเวทนามากๆอย่านั่งเฉยๆ ดูลงอาจจะไม่พอไม่ไหวซึ่งไม่ไหวก็ตามใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้ามันสั้นเกินไปก็ให้มันยาวหน่อยก็ได้สวดอิติปิโสไปก็ได้คุณเอกชัยครับผมกำลังฝึกการงดหาความสุขแบบในขมมะบา ร, รมีอยู่แต่พอหลับฝันไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆทำให้ใจเป็นทุกข์มากถึงกับสะดุ้งตื่นแบบนี้การปฏิบัติของผมก้าวหน้าไหมครับ ยังบอกก็แสดงว่าเรายังติดอยู่กับการแสวงความสุขทาง่าหูมจมูกนิ้วกายอยู่เพราะในฝันมันก็แสดงอาการให้เราเห็นว่าเราทุกข์แต่ถ้าเราฝันแล้วเราไม่ทุกข์นี่แสดงว่าเราก้าวหน้าแล้วคุณต้องครับรบกวนสอบถามครับบางครั้งตอนเช้าตื่นมานั่งสมาธิบางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบเราควรทําอย่างไรดีครับและควรระงับอารมณ์เวลาจิตไม่สงบอย่างไรครับ ที่สงบแล้วไม่สงบนี่ก็ใช้การจักกะมีสติแล้วไม่มีสตินั่นเองถ้านั่งแบบไม่มีสติมันก็จะไม่สงบเพราะฉะนัเวลาเรานั่งเราต้องต้องเตือนตัวเลยว่าเราต้องมีสติอยู่กับอย่างได้อย่างอยู่กับลมหายใจและอยู่ผู้ไม่ใช่นั่งนั่งแบบเป็นผู้ที่ชํานาญแล้วนั่งปุ๊บจะให้มันสงบปั๊บโดยที่ไม่ต้องใช้สติเนี่มันเป็นไปไม่ได้ถ้านั่งแล้วไม่สงบแสดงว่าเราไม่มีสติแล้ว เราต้องเราต้องจริญสติคือต้องพุดโทรพโทรหโรแล้วดูลมหายใจเข้าออกนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างควบคู่ไปก็ได้แนละ้วแต่เราจะถนัดคุณจิงตนาคะเรียนถามผ้าจารย์ค่ะแม่เสียเดือนกว่าแล้วทำไมหนูเห็นภาพแม่ตลอดเลยจนหนูปวดหัวแต่หนูก็ใส่บาตรให้เกับทุกวันเจ้าค่ะความผูกพั น, นยีย่มีความผูกพันมากใจก็จะคิดถึงบุคคลนั้นมากเรื่องธรรมดา ถ้าคิดมากๆก็ใช้พุทโธก็ได้เวลาอกากคิดถึงภาพนั้นไม่อยากจะคิดการใช้คำอะไรกับพุทโธก็ามาตัดมันก็ได้คุณวันชัยครับที่ว่าให้ระลึกนึกถึงคุณพระรัะะตนไตรนี้นึกถึงอย่างไรครั บ, รบร ก, ก็ด้วยการสวดบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณวาสนาคุณแล้วถ้าอยากจะเข้าใจความหมายก็ไปดูคำแปลนันแหละก็จะรู้คุณี่ เขาว่าคุณก็คือพระคุณของพระพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมพระคุณของพระสมัยอะไรบ้างคุณลังสรรค์ครับแหนมเป็นของหมักดองเอามาเจียวไข่ใส่บัตรพระได้ไหมครับถ้าทาให้มันสุกก็ได้อย่าทํำมันมันเด็ดนะอาหารต้องเป็นอาหารที่สุกด้วยไฟแล้วแต่ไข่นี้ก็ต้องทําให้มันสุกแบบแห้งไข่แดงนี่ต้องแห้ง ถ้ายัางยังยังไม่แห้งยคือว่าไม่สุกครับแล้วอย่างนี้ชาวบ้านไม่รู้พระท่านรับมาท่านก็ไม่แค่ไม่ฉันอย่างนี้ใช่ัหมครับอาจารย์ใช่ถ้าฉันไม่ได้ท่านทุ่มสิบแปแล้วเสียหลักไ ป, กไปยังก็มีท่านเป็นประวัติของปู่มั่งนะท่านก็เคยไปอยู่กับชาวเขาแล้ว ก, ก็ให้พวกปาละมปาละมิตมาใส่มาท่านาาก็ฉันไม่ได้<อ>แล้วไม่มีทุ่มสิบเอาไปทําให้มันสด ก็เลยไม่ต้องกินกินแต่กินแต่อย่งอื่นไปกินแตผักกินแต่ข้าวไปแต่ไม่มีปรราร่าจิ้มทำไ ม, มปรราลาจิ้คุณวิทยวัตครับผมอยากปลงกามด้วยอสุภะพิจารณาศบแต่ยังไม่ยังไม่ค่อยเกิดผลต้องแก้ยังไงครับก็พยายามดูพิจารณาอยู่บ่อยๆ อ, อยู่มากๆพยายามเปิดตอนต้นอาจจะเปิดดูว่าหนังสือดูท ร, ราบศพต่างๆก่อน สบสูนารีนี่มีเยอะยะเลยที่คนตายขึ้นอื่นกันเนี่ยดูแล้วกามันนึกอยู่บ่อยๆแล้วต่อไปเมันก็จะเวลาเกิดการอารมล์ขึ้นมาก็สามารถใช้ภาพเหล่านี้มาดับมันได้ถ้าเราไม่เหมือนสูตรคูณเนี่ยถ้าเราคอยท่องบ่อยๆเวลาเราจะใช้สูตรคูณมันก็มาเลยใช่ไหมสองคูณสองเป็นสี่อสุภาพก็เหมือนกันถ้าเราดูบ่อยๆคิดบ่อยๆนึกถึงมันบ่อยๆจดจำมันให้ได้อยู่ในใจ ถ้าต่อไปเวลาเราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราก็ใช้อสุอพิพ์นี้มาดับมันได้ทันทีคุณวิสิตาครับปัญหาความทุกข์จากภาระหนี้สินทั้งโลกที่หนักอึ้งกระทำหานจากวิกฤตเศรษฐกิจช่วงโควิดกลับขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําวิธีที่จะช่วยขจัดความทุกข์ในการดำเนินชีวิตที่เป็นทุกข์นี้เจ้าค่ะก็ทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากจะใช้หนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราเป็นหนี้เราก็ต้องใช้ต่อไป แต่ถ้าเราไม่มีความสามารถจะใช้ก็ไม่ต้องไปทุกกับเขาอย่างนั้นก็ยอมให้เขาฟ้องนุมละลายไปแอย่างนี้นเต้องยอมรับผลกระทบที่จะตามมาจากการที่เรามีหนี้มีสินพระเจ้ า, จาถึงสามารถการมีหนี้นี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็ น, ปนสุขความสุขของเร า, าว่ามีอยู่สี่ข้อคือการมีทรัพย์การได้รับทรัพย์การได้ใช้ทรัพย์และการไม่มีหนี้ อย่าไปอย่าไปสร้างนี่เพอะสร้างนี่แล้วมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็าต้ราปลดหนี้ให้ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งวิธีถ้ามีเงินก็คืนเข้าไปจ่ายหนี้ไปหมดปลดหนี้ไปถ้าไม่มีหนี้ก็ให้เขายืดซ้ำไปฟ้องน้ำละลายไปแล้วมันก็จบติดคุกไปแล้วเราติดคุกก็ยาติดคุกไปมันก็จะไม่ทุกข์มผมที่อาจารย์บอกวความสุขของคารพ่นี้ คบครบเลยครับสี่ข้อเลยครับไม่มีหนี้ไมมีค่าอบแนมามีทำหน้าทำบวไม่ใช่ไม่ใช่เงินทองเกินเกินกําลังของตัวเองคนที่มีหีสัญญาใช้รายจ่ายมากกว่ารายรับก็เลยต้องไปกู้ไดี้ยืมสินมาปอกมาคแต่ถ้าเรารู้จักควบคุมการรายจ่ายไม่ให้มันมากกว่ารายรายรับมันก็จะไม่ต้องไปกู้ไดี้ยืมสิน คำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับคุณแอนชายที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องธรรมะตลอดชีวิตตอนนี้อายุเจ็ดสิกว่าปีเพิ่งป่วยติดเตียงจากสตโตรกขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าจะสอนผู้ป่วยคนนี้เข้าใจธรรมะไม่มากก็น้อยได้อย่างไรคะก็อยู่ที่เขาสนใจหรือไม่อยู่ที่ตัวเขาถ้าเขาไม่สนใจก็อย่าไปเสียเวลาเลยช่วยเวลาต้องยอมรับความจริงข้อนี้แม้แต่พระเจ้า ก, ก็ไม่สอนท่านแ บ, บ่งบัวไว้สี่เราด้วยกัน ผู้ที่อยู่อยู่ในคนตมที่จะกลายเป็นอาหารของปู่ัอปลานี่ท่านก็ไม่สอนอาจารย์คำถามที่น่าสนใจขออีกขออ้อนะครับจากคุณชัยครับผมฟังว่าคนนั้นตกหลุมตกบ่อแลยเก็บไปฝันว่าตกหลุมตกบ่อบูกลงไปแบบนี้ผมถือว่าผมได้เคยตกหลุมตกบ่อหรือเปล่าครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นจิตนาการก็ได้ <verbs> <pi> แต่ก็ไม่สาคัญอะไร ค อ, อาจารย์ครับวันนี้มีคนฟังอยู่ใน f a c e b o o ก612คนใน YouTube 699คนในครับเ o าส e 18คนวันนี้มีเพื่อนๆฟังทากันพร้อมกันตอนนี้ 1,329 คนครับก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมฟังสนทนาทากันว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากน้อยนั่ น, นํำมาไปปฏิบัติเพื่อจะเลก้าวหน้าต่อไป การแสดงวันนี้การสอนศาทนารมในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุเกิดขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีอุปสรรคไดก็คงจะได้พบกันอีกในข่าวหน้ า, าหรือทิ้งหน้า ขออนุญาตกลับไปพักคุณพระอาจารย์ครับ